ชั้นป .1 และชั้นป .2 ออนะคะถ้าแม่ฟังอยู่ก็คิดถึงน้องๆเขาด้วยนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการร้องเพลงของน้องกระบวยนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้าน้ำนมขอเสียงปรบมือเลยคะ่ะ you ขอบมือต้อนรับน้องอีกสักครั้งนะคะขอาขอสัมภาษณ์หน่อยตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับซึ้งสงใสัคงจะซึ้งหน้าดูเลยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ไม่หิ้มเลยสงสัยตื่นเต้นมากเลยนะคะค่ะลาดับต่อไปนะคะเป็นการประกวดร้องเพลงที่มีชื่อเพลงว่าแม่นะคะโดยน้องโมกค่ะ ค่ะ ข, ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโมกเด้ค่ะ ลต่อไปนะคะเป็นการร้องเพลงจากเด็กหญิงชลินดาเห็นประจักษ์ชื่อเล่นวันน้องปอนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเรารักแม่ค่ะขอเสียงปรบมือเลยคะ่ะ ร้องเพลงของเด็กหญิงจิรารอดสมบูรณ์กับบทเพลงที่มีชื่อว่าอิ่มอุ่นค่ ะ, จะเจริญธรรมค่ะหนูชื่อเด็กหญิงขวัญจิราลอดสมบูรณ์วันนี้หนูจะมาร้องเพลงอิ่มอุ่นค่ะ <c oughs> ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการร้องเพลงของเด็กหญิงรุ้งรักฟ้าสิ้นป่าโลกีค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าหัดทักครองพี่พบค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการร้องเพลงของเด็กชายล่าฟื้นกีตากับบทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ค่ะ เสียงปรบมือตะอีกครั้งนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการร้องเพลงของน้องๆสมุนพระรามทั้งเจเพลงนะคะซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าทางหมู่บ้านราชธานีอสกให้เด็กๆ เ, เหล่านี้กินข้าวกับอะไรนะคะถึงเสียงเพาะขนาดนี้ค่ะก็ จะเห็นได้นะคะว่าเด็กๆมีความตั้งใจและความทุ่มเทนะคะที่จะทำให้ผู้ปกครองพอ่อพอแม่แม่นะคะได้ดูในวันนี้นะคะซึ่งก็ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเล่นดนตรีไทยนะคะจากน้องๆสมุนพระรามค่ะซึ่งพอ่อแม่พอ่อแม่แม่นะคะก็คงจะเห็นนะคะว่า สมุนพระรามของเรานะคะตัวเล็กๆทำไมถึงมีความสามารถเยอะขนาดนี้ร้องเพลงก็ได้เล่นดนตรีไทยก็ได้ซึ่งความสามารถของน้องๆเหล่านี้นะคะยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็ยังมีความสามารถอีกเยอะแยะนะคะซึ่งพอ่อพอแม่ๆก็ต้องดูต่อไปนะคะค่ะ อ๋อค่ะซึ่งการแสดงการเล่นดนตรีไทยนะคะน้องๆสื่นพระรามเหล่านี้นะคะก็ได้รับวิชาฝึกซ้อนจากอาจารย์เรรนะคะที่ชั้น3ค่ะเวลาที่พี่ๆสัมมาหรือผู้ปกครองชาววัดชาว ช, าว ช, ว น, ชวนเดินผ่านชั้น3นะคะก็จะได้ยินเสียง เ, เสียงซอบ้างเสียงระนาดบ้างนะคะก็ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมของน้องๆเหล่านี้ค่ะซึ่ง ก็มีความทุ่มเทและความตั้งใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำถามถามน้องๆกันนะคะว่าเขามีมอลไหนกันบ้างนะคะชื่ออะไรคะชื่อน้องสายค่ะน้องสายอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะป .5 ค่ะน้องสายเรียนเรียนอะไรคะเนี่ยแจ๊คเกค่ะมันเล่นยากไหมคะน้องสาย แรกๆมันก็ยากแต่พอหลังๆมามันง่ายค่ะน้องสรายฝึกซ้อมมานานแค่ไหนคะถึงได้ออกแสดงแบบนี้คะ่ะ2ปีค่ะสองปีนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ด้ดานหน้าสุดนะคะก็จะเป็นการเล่นเครื่องดนตรีขิมชื่ออะไรคะน้องขวัญค่ะน้องขวัญซ้อมมานานหรือยังคะก็ มากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะนะักเล่นดนตรีไทยของเรานะคะก็พร้อมกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับการแสดงดนตรีไทยจากน้องๆสมุนพระรามขอเสียงปรบมือต้อนรับ่อยค่ะ ในมัศการท่าสมระท่าติทุกรูปค่ะขอจะเจริญธรรมญาติผู้ใหญ่พี่เพื่อน น, นน้องทุกคนค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแก้วกลันน่นพรหิรันเข้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6หนูเป็นตัวแทนของนักเรียนสมุนพลามชั้นปสถึงปหวันนี้พวกหนูจะมาบรรเลงดนตรีไทยเพลงพมาเขวระบำกองยาวลาวจ้อย ลอยกระทงต้อยตาลิงและเพลงหมู่อีกสองเพลงเพลงตื่นเถิดไทยและเพลงสามัคคีชุมนมุมก็ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ นี่นะคะหนูนาไม่ได้มาคนเดียวนะคะหนูนายังมากับเพื่อนอีกสองคนค่ะซึ่งทั้งสองท่านนี้นะคะเขาเป็นแขกที่มีเกียรติมากและเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะค่ะก็น้องน้องสืบพรายังแสดงวิเสษจนะคะก็ขอเชิญพบกับน้องน้องสืนพรามค่ะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงทั้งเล่นดนตรีไทยแล้วก็การร้องเพลงนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้หนูนาไม่ได้มาคนเดียวค่ะหนูนายังมีเพื่อนมาอีกสองคนนะคะซึ่งขอเสียงปรบมือต้อนรับเพื่อนทั้งสองคนของหนูนาด้วยค่ะค่ะ นรามาสการท่านสมณานท่านสิ่งมากค่ะเจริญธรรมท่านพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เจริญธรรมชาวชุมชนทุกท่านค่ะขอภัยนะคะเสียงแหบค่ะก็ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะเพลงมิ่งขวัญละมูลมรชั้นมหกค่ะการทัศพรหวังผูกลางชั้นมหกค่ะค่ะแล้วก็หนูนาบรรทนายรำชั้นมหกค่ะวันนี้ก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกร ปีที่สองแล้วค่ะเขามาครับมาใครแม่ผู้ปกครองที่เคยมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็จะคบคุณหน้าเราเป็นอย่างดีนะคะถ้าใครจําได้นะคะถ้าจําไม่ได้ก็อยากจะรู้จักกันอีกทีก็หลังไมได้นะคะเราไม่ว่ายินดีค่ะยินดี <c oughs> ก็ช่องต่อไปนะคะก็จะเป็นพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการของ กิจกรรมวันแม่ข้ามคืนนี้นะคะขอเชิญผู้ปกครองนะคะขยับเข้ามานั่งข้างในให้มันอยู่ในบริเวณเงือนศูนย์ตรงกลางเนะะี่ยค่ะบริเวณหน้าเวทีค่ะก็ขอเชิญด้วยนะคะเพราะต่อไปจะเป็นการเปิดงานค่ะซึ่งทาขวัญวันแม่ปีนี้นะคะก็สมเด็จพระบรมราชินีนานนะคะก็ได้ พระราชทานคำขวัญวันแม่ชาติปี2557ความว่ารักเรียนรู้งานถนอมบ้านเมืองไทยร่วมใจสามัคคีคือลูกที่ดีของแม่ค่ะค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปิดงานนะคะขอเชิญท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะมากล่าวเปิดงานนั่นและค่ะ กราบน้ำมศการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านสมณะท่านสิขมาตจเจรญธรรมท่านญาติธรรมท่านผู้ปกครองและลูกหลานทุกๆคนกระผมนายปูนไทยชูน้ำเที่ยงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านราชธานีอโศกกระผมรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้มากล่าวเปิดงานการแสดงกิจกรรมอุ่นไอรักบนตักแม่ของลูกๆพร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดผลงานของนักเรียนการกิจกรรมวันแม่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างครอบครัวและให้ลูกๆได้ตระหนักถึงคุณค่าของความรักอันยิ่งใหญ่ ที่คุณแม่ทุกคนตั้งใจและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมอบให้ลูกๆบัดนี้ได้เวลาอันเป็นกุศลแล้วกระผมขอเปิดงานการแสดงกิจกรรมอุ่นไอรักบนตักแม่นบะบัดนี้ขอบคุณครับค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบพิธีมอบรางวัล น, นะคะการประกวดให้กับน้องๆที่ได้รางวัล น, นะคะ การประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษาตอนตอน้นอันดับที่หนึ่งนะคะเด็กชายทานไทยแยกไทยสงค่ะ อันดับที่สองเด็กชายเพชรเมืองพระนาวาบุญนิยมอันดับที่สามเด็กหญิงรุ้งดอกไม้สีหงษารางวัลชมเชยนะคะเด็กหญิงเพชรเพียงพุทธนิยมพุทธค่ะ ค่ะต่อไปเป็นการประกวดวาดภาพระดับปถมศึกษาตอนปลายนะคะอันดับที่ 1. เด็กหญิงชาลินดาเห็นประจักษ์ค่ะอันดับที่ 2. เด็กหญิงรุ้งริมน้ำสิ้นป่าโลกีอันดับที่ 3. เด็กหญิงรุ้งรักฟ้าสิ้นป่าโลกี กางวันชมเชยนะคะเด็กหญิงแก้วกลั่นพรหิรันเข้าต่อไปนะคะเป็นการประกวดวาดภาพระดับประถมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะอันดับที่1เด็กชายพงศกรพ่อนามแดง คือคนพี่มารับแทนน้องนะคะน้องไม่อยู่ค่ะอันดับที่สองนะคะเด็กชายเพชรแสงธรรมอนุชาติบุตรสกุลค่ะอันดับที่สเด็กชายจีรพัฒสารตะค่ะรางวัลชมเชยนะคะเด็กชายชาลีเยเบียงค่ะ ค่ะต่อไปเป็นการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันดับที่ 1. น, นางสาวแดนน้ำค้างนาวาบุญิยมอันดับที่ 2. นายธีรพงษ์ชัยลาบ อันดับที่สามนางสาววิไลเยเบียงค่ะซึ่งคนนี้เป็นเพื่อนวิไลนะคะออกมารับแทนวิไลค่ะต่อไปนะคะรางวัลชมเชยนายเดวิเหลววัชระอนันต์ค่ะคนนี้ก็รับแทนเพื่อนอีกนะคะ ค่ะต่อไปเป็นการประกวดเขียนเรียงความนะคะระดับประถมศึกษาตอนปลายอันดับที่1เด็กหญิงลุกรักฟ้าสิ้นป่าโลกีอันดับที่2เด็กหญิงขวัญจิรารอดสมบูรณ์อันดับที่3เด็กหญิงชลินดาเห็นประจักษ์ รางวัลชมเชยนะคะเด็กหญิงทรายประกายคำม่วงมนตรีค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะการประกวดการเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงคณิถาคนฉลาดอันดับที่สองเด็กชายกิติพงสุขช่วย อันดับที่3เด็กหญิงหัตถวันทับอ้อยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะอันดับที่1 น, นางสาวณัฐิชาเห็มวงอันดับที่2นางสาวสลินทิพโพไซค่ะ อันดับที่ 3. านางสาววิไลเยเบียงรางวัลชมเชยนะคะนางสาวพัชรพันธ์ดวงปทุมค่ะต่อไปเป็นการประกวดแต่งกลอนนะคะระดับประถมศึกษาตอนปลายอันดับที่ 1. เด็กหญิงรุงรักฟ้าสิ้นป่าโลกีค่ะ รางวัลชมเชยนะคะเด็กหญิงชลินดาเห็นประจักษ์ค่ะรางวัลชมเชยเด็กหญิงรุ้งริมน้ำสิ้นป่าโลกีรางวัลชมเชยเด็กหญิงพิมพ์ตะวันปลื้มพักค่ะต่อไประดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะชมเชยเด็กหญิงพัชราพิลาชัยค่ะ รางวัลชมเชยเด็กหญิงคณิฐาคนฉลาดค่ะค่ะต่อไปเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะอันดับที่3นายสร้างไทยไวยพัฒน์ค่ะรางวัลชมเชยนายประชยาพ่อนามแดงค่ะ รางวัลชมเชยนางสาวแดนน้ำค้างนาวาบุญนิยมค่ะรางวัลชมเชยนางสาวเติมขวัญมโนรบค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเป็นการประกาศผลการประกวดร้องเพลงนะคะระดับประถมศึกษาตอนต้นอันดับที่1เด็กชายเพชรเมืองพระนาวาบุญนิยมค่ะรางวัลชมเชยนะคะเด็กหญิงเพชรเพียงพุทนิยมพุธค่ะ รางวัลชมเชยเด็กหญิงสุดคำฟ้าวงวัฒนะค่ะรางวัลชมเชยเด็กหญิงเอื้อดินฟ้าแดนวิหารค่ะรางวัลชมเชยเด็กหญิงหยุดทิพธรรมดวงวงศาค่ะ ต่อไปเป็นการประกวดร้องเพลงระดับประฐมศึกษาตอนปลายค่ะอันดับที่1เด็กชายล่าฟื้นกีตาค่ะอันดับที่2เด็กหญิงแก้วกลั่นพรหิรันเข้าอันดับที่3เด็กหญิงชาลินดาเห็นประจักษ์ค่ะ รางวัลชมเชยเด็กหญิงรุ้งรักฟ้าสิ้นป่าโลกีรางวัลชมเชยนะคะเด็กหญิงขวัญจิรารอดสมบูรณ์ค่ะค่ะก็ขอกราบขอพระคุณ ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ให้เกียรติเ อ, อ่อท่านผู้ใหญ่บ้านคุณภูไทยชิวน้าเที่ยงค่ะที่ให้ได้ให้เกียรติมาเปิดงานและมามอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการของน้อ ง, น, องน้องสมุนพรรามค่ะเป็นการรำประกอบเพลงที่มีชื่อเพลงว่าอธิษฐานค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ แสดงลำดับต่อไปนะคะจะเป็นหนังสั้นของนักเรียนสมุนพระรามนะคะเดี๋ยวท่านผู้ปกครองนะคะรอรอรับชมแลวฟังนะคะ ละคเรื่องแม่ไม่อยู่หน ร, รับแม่เป็นละครที่แสดงโดยนักเรียนสมุนพรามชั้นป .4 ป .5 และป .6 ด้วยความตั้งใจของพวกหนูแต่น่าเสียดายที่ฉากแรกได้หายํำแล้วแต่ก็หายไปโดยทราบสาเหตุเรื่องมีอยู่ว่าครอบครัวพอเพียงของพ่อล่ากับแม่จันวันหนึ่งสองสามีภรรยาได้ไปเก็บผักเพื่อส่งครัวกาหรืบ้านตามปกติ ได้พบเด็กทารกถูกวางทิ้งอยู่ข้างแปลงเถอาด้วยความมีจิตเมตตาจึงนำเด็กน้อยไปเลี้ยงดูดุูรูปในอรทรม แล้วเดือนสุดท้ายเดือนอะไรคะทา่านวานพองค่ะตอนนั้นนะคะรู้สึกว่าได้กินข้าวจี๋ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะค่ะอ้าวอ้าวข่าวใครมาแล้ว ผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกแม่ครับหนูจะเป็นเด็กดีต่อไปหนูจะไม่ขี้แก่ซักท้อีกวค่ะแม่หนูรักแม่ค่ะขอบคุณค่ะแม่ที่ทำให้หนูเข้มแข็ง ขอบคุณค่ะแม่ที่เอาใจใส่หนูด้วยดีตลอดมาหนูรักแม่ค่ะ พาร์ของนักเรียนสมุนพระรามอีก1ชุดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆสมุนพระรามไดยค่ะ ไกันคะไม่กลับข้อที่แหละคะวก็พิธีกรไปล่อข้าบมาแล้วคะร้เสียงแบบนี้เลยค่ะอายก็ก็น่ารักค่ะนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการแสดงโปรงลางของบ้าลาดเมืองเรือนะคะซึ่งเขาต้องมีการ เตรียมดนครื่องดนตรีอะไรก่อนใช่ไหมคะการเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันนะคะสำหรับน้องๆ น, นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ขนมหรือรางวัลอันสวยงามนะคะให้จูมือคุณพ่อคุณแม่ของน้องขึ้นมาบนเวทีนะคะรอบนี้เราให้โอกาสแค่2คู่เท่านั้นนะคะ2คู่เท่านั้นนะคะที่จะแจกจริงค่ะแจกจริง เ, เล่นจริงแจกจริงค่ะ<า>อ่ น, นะคะไม่มีใครมาอแล้วกนเนี่ย เราจะให้เวลาห้าวินาทีในการตัดสินใจนะคะแม่แม่คนไหนอยากอยากได้ขนมเอาไปฝากลูกนะก็ขอเชิญได้ตอนนี้เลยนะคะไม่มีจริงๆนะคะอยากให้ทีมสอดแนมของเราได้ไปเลือกตัวนะคะเราได้แฟงตัวไว้ทีมสอดแนมแล้วนะคะไม่มีใครมองเห็นเธอเรานับหนึ่งสามนะคะถ้าคุณไม่มาเราจะเลือกคุณมาแล้วนะคะเรานับหนึ่งไม่มาจริงอะนับสองนับสาม อ่ะออทีมงานเรานะคะขอให้เลือกคู่แม่ลูกมาสองคู่นะคะสำหรับทากิจกรรมก็ขอแจ้งถึงน้องสมุนพระรามนะคะให้ไปรับรางวัลการแสดงที่ข้างเวทีกับพี่นุชนะคะส่งตัวแทนไปรับรางวัลค่ะออาสิคะทีมงานทีมงานาสอบแนมได้หรือยังคะเลือกให้เลือกคุณพ่อคุณเอ๊ะ ได้แล้วใช่ไหมคะเชิญคุณแม่ส้อยชื่ออะไรคะทีมงานชื่อแม่จอยค่ะอ๋อแม่จอยแม่ส้อยเป็นไงแม่ของน้องเอิร์ทค่ะแม่ของน้องเอิร์ทนะคะคุณแม่จอยเรายืนขึ้นค่ะแล้วน้องเอิร์ทหวังว่าน้องคงจะไม่ปล่อยให้แม่ของน้องมาอยู่โดดเดียวบนเวทีกับพี่สองคนนะคะน้องเอิร์ทอยู่ไหมคะทีมเข้าเวทีหาน้องเอิร์ทได้หน่อยค่ะน้องเอิร์ท น้องเอิร์ตยกมือหน่อยน้องเอิร์ตอยู่ไหนเพลงคะแม่เขินนะคะขอเสียงปบมือให้กับแม่หน่อยได้ไหมอขอเสียงปบมือให้กับแม่จอยหน่อยค่ะอะแม่คะแม่คะน้องเอิร์ตอยู่ไหนเนี่ยอะน้องคนไหนน้องสมุนพระรามอะโยเยนอะไม่มาเหรอไม่อยากได้ขนมหรอไม่อยากได้ขนมอะพี่มีขนมนะขนมเยอะแยะเลยรู้ปะแล้วแบบ ของแพงเลยนะเว้ยน้องปิ่นไม่มาเหรอคะแบบของแพงนะน้องแบบเขาซื้อกันมาแบบร่ํารวยกันเลยทีเดียวไม่มีใครจริงเหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวลูกก่อนเรารู้จักแม่คนไหนบ้างเนี่ยเอาละไปมีแม่ใครก็เล่นแม่มอ .6 น <c oughs> ี่แล้วะแม่แม่น้องเอิร์ดลุกแล้วค่ะแม่อ่าแม่น้องเอิร์ดลุกแล้วนะคะอ่าแม่น้องเอิร์ดลุกแล้วต่อไปนะคะเราเห็นเราเห็นลนิ่มลายแล้วคะ่ะการ นั่นแหละค่ะนาดิฉันต้องการแม่คนนั้นเลยค่ะคุณแม่แม่ชื่ออะนะคะแม่ชื่อคุณแม่โซมคุณแม่สซมจุดาขอเชิญที่บนเวทีตอนนี้แล้นะคะแล้วก็ส่งข่าวถึงลูกเดนะคะลูกเดค่ะคุณแม่คุณต้องขึ้นมาเลิกกิจกรรมฉันทั้งนี้นะคะแม่ลูกเดค่ะลูกเดอยู่ไหนอ่ะเอาละค่ะลูกเอิร์ดลูกเอิร์ดอยู่แห่งคนได้เจ้นําค่ะแม่ ล Hamilton ูกเอิร์ดลูกเอิร์ดไปไหนอ่ะโอเหมือนมากอ่ะเหมือนลูกมากเลยหรืแม่เหมือนลูกก็ลูกเหมือนแม่่ไปโอเคลูกเหมือนแม่นะคะน้องเอิร์ดนี่อยู่หมอไหนคะแม่อยู่มหนึ่งค okay. ่ะน้องเอิร์ดอยู่มอหนึ่งน้องเอิร์ดไปไหนอยู่นาคะปัญหาคือน้องเอิร์ดไม่อยู่ค่ะเอาละค่ะแม่คะหนูจะถามแม่นะคะคําถามแรกคําขวัญของวันแม่ปี ห้นี 7, ่แม่จำได้ไหมคะอ้าวน้องเอิร์ธมาแล้วไม่โดีเดียว <ไง S 2> ค่ะรักแม่หรว่ารักแม่แม่กับลูกกอดกันหน่อยได้ไหมอะอย่างเงี้ยอ่านะคะเกมแรกบอกกติกาเลยคะ่ะการถ้าคุณตอบได้เราก็ให้รางวัลค่ะแต่กติกาเพีแค่นี้ <laughs> นะคะตื่นเต้นมากอ่ะพี่ถามแม่ไปแล้วน้องเอิร์ธจำได้ไหมว่าคําขวัญวันแม่ของปีห้าสิบเจ็ดเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ เอาแล้วไม่ไม่กัดนะเอิร์ธได้ขนมกัดไปไหมเอาแล้วเอาพี่การบอกใบน้องให้หน่อยใบให้น้องหน่อยอะไรหน่อยใครรู้รู้ใครรู้รู้เอาข้างล่างมีใครรู้ไหมใครมีใครรู้ไหมช่วยตอบได้นะคะเอาน้องเอิร์ธมีซิมซิมกับใครน้องเอิร์ธมีการซิมซิมเล็กน้อยใช่ดีกันขนาดนั้นเลยใช่ถ้านรู้ยัง เฮ้ยเหันไปมองด้วยอ่ะหันไปมองโอเคพร้อมยังเอิร์ธพร้อมยังเอิร์ธตอบได้ไหมถ้าไม่มีนะคะเราจะให้เล่นกิจกรรมง่ายๆนะคะให้คุณให้น้องเอิร์ธหันหลังแผ่พี่การค่ะหันหลังแผแล้วคุณแม่นะคะหันหน้าหันหน้าพี่การคุ่หันหน้าหันหนูค่ะโอเคนะคะหันหน้าคะยังมีหน้าหลังชิดกันเลยหลังชิดกันเลยกติกามีอยู่ว่าคุณแม่กับคุณลูกนะคะต้องหันหน้าไปทางเดียวกันนะคะ ถ้าหันได้ครบสามครั้งเอาไปเลยค่ะขนมเราแจกกันตุมตามเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้นะคะก็จะได้ขนมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ได้กติกาของเราให้แม่และลูกกอดอกค่ะกอดอกค่ะกอดอกเร็วกอดอกเรานับหนึ่งถึงสาคุณหันเลยนะคะให้ครบสามครั้งนะคะถ้าหันไปเจอกันนะคะจะให้คุณทำแค่สี่ครั้งห้ามสะกิดนะคะแม่ห้ามสะกิดห้ามบอกแล้วหนูดูอยู่นะคะแม่ โอเคนะคะพร้อมนี่ยคะแม่คิดซิว่าแม่กับลูกจะใจตรงกันหมอ่ะนงเอิร์ธพร้อมเนียครับโอเคนะคะนับหนึ่งหัสนะคะหนึ่สองามไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไุ่ไม่ไม่ไมเไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมกลับหลัง่ไไมม่ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไม่่่มม่ ขนมหมดแ น, แน่เลยอย่างนี้อะนะคะครั้งแรกเราเซิฟเซิก่อนนะโอเคนะคะพร้อมนะคะนับหนึ่งสองสองามวะอไม่เจอขนมไม่เจอนะคะแม่เจ อ, อเไม่เจอแม่คะน้องเอิร์ดอยากกินขนม น, นะคะไ ป, ไปตรงอ่าเรานับครั้งที่หนึ่งะคะครั้งที่สองนะคะเรานับนะคะหนึ่งสองสาม ยังหันด้านเดิมคุณหมดสิทธิ์แล้วค่ะแม่กับลูกหมดสิทธิ์แล้วแม่กับลูกใจไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะขนมนี้เราไปกินเองค่ะไม่เป็นไรนะคะอีกรอบนึงนะคะเราให้ออกไก่อีกรอบนะคะถ้าคุณหันเจอกันครั้งนี้เราให้เลยนะคะนะคะไอ้เอ๊แม่แม่สะกิดด้วยเมื่อกี้แม่สะกิดลูกด้วยคู่นี้ถ้าทางอยากได้ขนมอย่างแรงนะคะนะะคลูกลูกฉันรู้ฉันรู้นะคะนับหนมาตรงๆรงเลนับสองนับสามค่ะ อดแล่วอดแล้วยืดที่จะบอกว่าพ่อแม่มีการสกีบหายมี้ลูกมีขนาดแม่สกิบตรงซิกนะเนี่ยอะไรกันนี่อะค่ะขอขอขนมนะคะสำหรับความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้นะคะสำหรับการขี้โกงนิดหน่อยนะคะก็ ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ได้ขนมที่แพงที่สุดที่เราจะมีขนมนี้นะค ะ, ะสำหรับความรักที่แม่แม่ต้องแบกลูกกนแม่แบ่งกันนะคะแม่กับลูกขนมจเริญเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนักดนตรีพร้อมหรื อ, อยังคะทีมโปองรางอ่ะนักดนตรียังไม่พร้อม เราได้แม่อีกคนนึงแล้วนะคะยังไม่พร้อมเราก็เอาอีกคนนึงเป็นแม่ของมหนะคะได้แล้วตุ๊กเตนให้บอกชื่อก่อนไหมคะหรือให้เปิดตัวแม่เลยคะเปิดตัวเลยค่ะเปิดตัวเลยตเต้นตุ๊กเต้นตุ๊กเต้นตุ๊กเต้นตอ๊กเต้นตุ๊กเนตเต้นเต้นเนต้เ้เต้เต้นเฮ้ยตุ๊กเต้นเต้นตุ๊กเตุ้๊กเต้นตุ๊ะเต้นตุ๊ คุณแม่ชื่อคะว่าละพรละมุนมอนค่ะนคุณคุณนะคะแม่แม่ใครแม่เป็นแม่ของใครคะค่ะแม่เป็นแม่ใครคะเป็นแม่ของมิ่งขวัญละมุนมอนค่ะไม่เชื่อคุณคอีกแล้วค่ะเออไม่ทราบว่าบนนี้มีชื่อมิ่งขวัญละมุนมอนหรือเปล่าคะไม่ค่ะหนูชื่อแจ๊สโป้คุกค่ะโอเคเราหนูนาเธอจาไว้นะเธอเล่นกับแม่เราอย่างนี้คู่นี้พิธีกรเลือกเองจะเล่นอะไรไม่ให้แล้วคู่นี้นี่ เราเราจะตอบแม่ส่งซิกด้วยเหรเราจะตอบคำขวัญวันแม่อเราตอบได้แล้วตอบได้แม่ลอกินหนมอย่างเดียวให้แม่พูดให้แม่พูดร้องก็ร้องแม่แม่เดี๋ยวหนูบอกก่อนเด้ออะไรนะนึกไม่ออกนึกไม่ออกอแม่ใจเย็นแม่คำขวัญบอกเดี๋ยวได้หยังก่อนนะท่องกันมาเป็นอาทิตย์มันทาไม่ได้อะไรอ่ะอุ้ยจริงจริง อะไรนะเดี๋ยวแม่เราไม่บอกเล่นกับคนอื่นเข้ามาลูกคิดดีของพ่อแม่คนแก้งคนอื่นแล้วมันก็ทำไม่ได้แม่ก็ใจมันเหมือนกันเฮ้ยัเ้ยอันนี้ตอบได้จริงเพราะว่ามหานวะตอบได้จริงเ้ยตอบไมได้จริงแม่แม่แม่ร้องเพลงไหมแม่แม่ร้องเพลงช้างหนูให้แม่ร้องเพลงช้างตัวแม่ก็เหมือนช้างให้ร้องเพลงช้างก็น่าเกียดไปบอไม่เป็นไรแม่แม่ร้องเพลงช้างโอเคปะหมูดีแม่ร้องเพลงช้างนะโอเคไหแม่ร้อง เฮ้ยการแม่ไม่เล่นอ่ะแม่ไอเพลงกดอดกินขนมเ้หลือหนูกินคนเดียวได้แม่หนูอยากกินนมอยู่เดก็เหมือนช้างร้องเพลงช้างร้องไม่ออกแม่ร้องคือร้องไงรอไงวะแม่แม่ร้องเร็วแม่หนูไม่ได้กินนมนะเาเพลงแม่เอาแม่ร้องเพลงอะไรเป็นสัอ้โอ้ยอาเออเพลงกลมเด็กแม่เพลงอะไรนะที่น้องเพลงเคยชอบ เพลงกองไม่เพลงตอนเด็กๆกับแม่หนูหนูอยากฟังมากเลยเผื่อเพลงจะต้องแต่เ <teachers> ก <opportunities. S 1> ิดมาสะกิดแม่อย่างเดียวแม่อันนี้หน่อยแม่นี่นี่หน่อยนะร้องไงนะเออนี่วลาตายแล้วของคนแม่ลูกลืมทั้งคู่เลยหลังอย่าเล่นนะคะวหลังเตรียมมาก่อนนะคะเขาเนเอะดิเขาตกเลยเขาเขาเล่นเพลงี้ ชีพสลายยังไม่คายรักเจ้าย่อนยังยาวพันเจ้าของแม่ี่เอ้ยคินจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลยแม่ร้องไห้เียเอ่ยหลับให้สบายแค่นี้เขาหลับเรียบร้อยเลยไม่ต้องร้องต่อแล้ว่ะ ได้สบาย้าไปแล้วนะโอเคว่าได้กินขนมหรือยังลูกเราอ่ะเตรีมงานให้ขนมไหมคะเอ้ยไม่ให้อะไรเฮ้ยขี่โกงอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋นะคะคือเตรียมนิดหนึ่งคุณให้แม่ไอชั้นขึ้นมาอย่างกระดานานคุณจะไม่แจกขนมเลยหรอคะคะแม่ชั้นมาร้องเพลงในฐานะอะไรคะเข้าใจเหราโองเงอตกค่ะแม่ก็แม่กินเลยดีก็แม่ เอาเยอะๆเยอะๆแม่ตัวใหญ่โอลูกเพลงชอบกินนมอะะเฮ้ยมันไม่ใช่นมเอาแล้วค่ะแม่แม่อายแล้วค่ะแม่อายลูก้องเพงแม่ฟังไหนเอาไหนโอสุดยอดเลยเขาเห็นว่าแม่หุ่นดีเขาเลยให้แม่กินเยอะออะไรเนี่ยแม่หุ่นดีนออะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแมุ่ก่อโ้ามาสารภาพรักกันบนเวทีเลย จ๋าจ๋าแต่ไม่ต้องเอาแม่เราขึ้นมานะโอเคนั่ดนตรตีพร้อมหรือยังคะเราจะควนหาอีกรอบนึงแล้วนะคะโอ้โหปงวงลางนี่เขายิ่งใหญ่เขาเซตตัวกันนานนะคะอะค่ะขยับไปด้านหลังนะคะคุณพ่อคุณแม่โอ้ยายิ่งใหญ่ใหญ่โตมากเลยอะก็เลยต้องใช้เวลากันนิด น, นึงนะคะซ้อมกันระยะเวลาสั้นๆผิดพลาดประการใดก็อภัยให้ เราด้วยนะคะก็ถึงถ้าจะไม่เป๊นนะคะแต่หนุนาบอกว่าอยากได้อยากได้อีกสักคนไงอยากได้อีกสักคนอยากได้อีกสักคนนะคะขอเชิญคุณแม่ต้อยค่ะสำหรับลูกสาวชั้นม .6 นะคะคุณแม่ต้อยอยู่ไหนคะคุณแม่ต้อยชูมือคุณไหนค่ะแม่ของน้องหนุนาชั้นม .6 ค่ะพอจ้งพ่อเมื่อไหร่คะในละในละคุณแม่ต่อนคุณหุนนาคะคุณหุนนาคะคุณแม่คุณอยู่ไหนคะ แม่คุณอยู่ไหนคะเอาคุณแม่ต้อยครับลูกเพลงเรียกแล้วค่ะคุณแม่นุ่มๆเอาแม่ขึ้นมาเลยลูกน้ า, าแม่มาแล้วอัลลอฮ์นี่ๆ่แม่มาแล้วลูกมาไหมแม่มาแล้วลูกมาแล้วนะคะจะลูกขึ้นมาที ดำสนิทไปครึ่งเวทีกันเลยทีเดียวเวันนี้ลูกผ่องใสเองคุณแม่ลูกผ่องใสเราจะมาดูความผ่องใสของแม่ลูกคู่นี้เสื้อน้ำตาลอะโอ้โหอ้สปิรพี่มหกดยนะคะลูกขึ้นมาก่อนนะคะม่๊ะแเรจแล้ค่ะแม่ดูการบแป้งนะคะเอาค่ะเจาห้ที่คะแม่ดูวาเหมือนนะคะนะคะแม่ใครก็ไม่รู้ลูกใครก็ไม่ทราบนะคะเสยเหมือนแม่ค่ะตายเลยโอเคนะคะแมเหมือนเธอไม่อายกันเลยทีเดียวทำอะไรกัน ไม่แม่ให้ร้องอ่ะก่อนอื่นเนี่ยคือคืออยู่มหอยู่มหกปีนะคะเพลงกับการเนี่ยไม่เคยเห็นนาเนี่ยแสดงความรักให้กับแม่เลยเพลงเนี่ยอยากจะให้นานี่แบบกอดแม่แล้วก็หอมแม่สักฟอดใหญ่ๆอะค่ะไหนไหนเราค่ะให้เพลงหน่อยดีฮะอะไยค่ะนาอาการาันหนึ่งอันหน่งอันข้ากอดแม่นะมแล้วหน่สองตกอดหน้ากอดเร็แล้วน้กอดเอ้ยอ๋นเดีอาแก้มลยเอาไทย่ ฮ<อ>ันด์กลับมาค่ะความรักบอกแม่ไม่หันทันนุลค่ะกเกมเดิมนะคะเกมเดิมอ<า>เอาแล้วเอาแล้วเสร็จครับไม่ได้กินนมครับบารนี้แม่อย่า ส, งส่งซิกเนสแม่นี่น้าตายเจ้าเล่ เ, เลย<า><า>นะคะเราจะนับแม่แม่ทราบกติกาใรชร่ไหมคะที่เห็นเกมเมื่อกี้นี้นะคะนเรานับหนึ่งนับสองสค่ะเฮ้ยครั้งนึงแล้วว่าทำได้ไงอะเฮ้ย แม่ดีใจมากาค่ะคงเดียวผมยังไม่แจกหนุ่มเลอ่นะคะเรานับหนึ่งสองซเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเฮ้ยเอาข้างเดียวใช่ไหมเนี่ยชีวิตนี้กัข้างเดียวเมื่อกี้ได้คุยอะไรกันว่าตอนตอนตอนก่อนเออตอนเดินขึ้นเวทีนแนแน่่แน่น่นเห็นซุบเซ็ุบเหมอแน่เอาไงอ่ะอะในเมื่ออีกรอบนึ่งอีกรอบหนึ่งให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยอ่านะคะนับหนึ่ง 2องอันยังๆแม่หนูรู้หนูรู้รอยู่เวทีนานๆหน่อยนะแม่นะนะ น, น, นะคะนับ1 2 3ค่ะอะไรอ่ะเฮ้ยจริงเขานับกันมาโคตรเลยอ่ะค่ะนับกันมาต้องให้พ่อเล่นเงาพ่ออยู่ไหนอ่ะมไม่เกี่ยวนะพอน่พอแม่พ่อนั้งกดน้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อดูแลน้องไปก็ ก็เดี๋ยวนะคะหนูนาในฐานะที่หนูนาเนี่ยเป็นนักร้องนะคะพ่อแม่ม่ผู้ปกครองของรู้จักหนูนานะคะหนูนาเนี่ยเป็นนักร้องเมื่อปีก่อนนะคะเราได้เห็นสเต็ปการเต้นของแม่ด้วยที่มีชื่อเสียงอีกอ่ะไม่ลคะถ้าแม่ร้องเพลงไม่เป็นลากหนูมากทีเราไปลากแม่บอกว่าแม่ร้องเพลงไม่เป็นเราจะให้หนูนาร้องเพลงนะคะเสียงอันไพเลาะแล้วเราจะมาดูท่าเต้นของแม่กันค่ะว่าจะมีท่าเต้นอันแบบ ในเมื่อลูกหรว่ารว่าจะให้แม่ร้องแล้วลูกเต้นต้อลงกันนะคะแม่หนูอยากเอาพร้อมนะคะเพลงยังไม่มาเลยหนูเต้นแล้วโอเคนะคะหนูนาโอเคนะคะพร้อมคะดนตรีถ้าพร้อมแล้วก็ให้จังหวะเพลงนิดหน่อยนะคะหนูนาจะร้องเพลงแล้วเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเอานี้เดียวนะคะเอาเยอะๆค่ะแม่อยากเต้น วันงานเทศกาลผ่านมาแก่ฟีกว่าๆในงานหรือกนรเต้นแ ม, แ, มตแม่เยอะกว่านี้ในงานวันออกพรร้าสัญญาว่าจะรักมั่นบอแล้วแม่ไอ้โอ้ยโอ้ยแกลงค น, ปนไปเลยไี้หนุน่มหนานโอ้ยขอหมดแล้วก่อนคือแบบการเต้นเรียนแบบกันมาเลยคือบแบบเป็นอะไรที่แบบแบบสุดยอดมาก แม่คะอยากได้ขนมแล้วพอดีเอาปี๊ปหนึ่งม่ไว้กับปี๊ปหนึ่งเลยน่าจะให้สักปี๊ปหนึ่งนะขอขนมเนี่ยค่ะขอขนมหน่อยไม่เป็นไรค่ะคุณได้สิทธิ์เจ้าเดียมกันค่ะไม่ทำหลายอย่างเอาแล้วค่ะหนูนาได้มูมูอะไรเยอะนาได้นมหนึ่งกล่องนะคะไปเพิ่มความสูงให้กับตัวเองอ่ะเร็วค่ะพี่การค่ะพี่หนูนาเร่งรีบค่ะอยากอยากได้ขนม แฮปปี้มูมูมันเป็นชื่อขนมที่ไม่เคยรู้จักตาตากี่ไหนคะเดี๋ยวนะะตาตกล้องมาเรามาถ่ายภาพนะคะอย่าเพิ่งแม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แ่แมแม่แมกแม่แม่อม่ม่แม่แม่ม่แมแม่แม่่มมม่ม่แแม่แมม่แยแม่แมม่แม่ม่แม่มมแม่ม่มม โอเคค่ะโอ้เสียงมันเยอะมากเลยนะคะกล้องเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะอนักดนตรีทีมโปรงรางสุดหลองเราก็พร้อมแล้วนะคะอนักดนตรีพร้อมไปค่ะขอเสียงนะคะขอเสียงหน่อยขอบคุณค่ะฉันอยากได้เสียงคุณนะคะฉันอยากได้เสียงคุณนะคะเสียงคุณไปไหนค่ะคุณคุงอยากไล่ฉันลงแล้วนะคะก็ขอเชิญพบกับการแสดงโปรงรางของนักเรียนสมาศิขาราชทานียโศก เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ฉันจึงเกิดแม่ประเสริฐ ด, ดังครูผู้สร้างสมแม่คือเพื่อนปลอบใจยามข้าตรมแม่ดังพรหมห่มชีวิตจิตอาทรแม่คือหมอป้อนยายามข้าป่วยแม่คอยช่วยชี้นำ คำพระสอนแม่ดังเทพเหนือเสียนเพียนสังวรจะหาพรใดเล่าเท่าแม่ฉันจเจริญทำสำนึกดีค่ะคนิวสลินทิปโพไซสันมอหก่ะหก่ะมอนีกระมาพบกับผงห้าววงปงล่าง ของนักเรียนนักเรียนสมานาศิขาราชธท่นียโสกและนักเรียนอาชีวศึกษาสมารถศิขาวิชารามค่ะเพื่อ่เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญพบกับไล่เปิดวงขอเสียงโป้มืสดสวๆดังๆให้ได้ค่ะพี่น้องเอ๋ยฟังเสียงพินแคนหาวเสียงยาวๆวตต่าตวตรงตรตรงเสียงตงล่างเงวโหยดมาฟังตนตอนทยายาม You can't hear m ซ้อนน้ำลำมูลไหลเตินเหลียวทั้งเดินจ่อเอตะเว้นยอพอแสงทองฝ้าแจ้งพ่วมแดงทั่งกำฟังฟังมนเพลงสาบสึงริมน้ำฟังมูลสัแล้ว ทึ่งพากับลำน้ำมูลมาเดนตลอดนะครับผมจึงข อ, อมอบบทเพลงนี้ให้กับทุกๆคนที่มาในงานวันนี้กับควู ตะเวนเอ็นคอยถอยหลังบังปาสาลิกาบินควมค้นฝากฟังหนองว่ายโยตองใบตองปิวยาวฟังเสียงลมพัดพาวออนซ่อนเดพ่อแม่เอ้ย กำลังใจให้ลูกหลานทุกท่า น, นะคะ่ะอัญญาเอย๋ยแม่นมะเมืองอีสานแรงโตเว้นแดงแดดแก่แต่ใส่ดีบอแพามีห้อยยิมอิมตาแล้วจากนาเบิดงานหน้าผ้ากันมว้วนส่วนกันไปเที่ยวสอนถือหวงฟอนเลาะฟังหนองผุนแล้ว ต่อไปเป็นการเซิงสวิงเนาะค่ะเป็นประเภทนี้ของคนภายีสานนะคะ แสดงหัวเข้ามวนบ้าคะคันมวนขอเสียงตบมือให้หน่อยค่ะคะ่ะกระต้องขอขอพุ้นสำหรับเสียงตบมือนะคะที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกหลานวงโป่งล่างสำหรับมือนี่ลูกหลานกระขอกาวคาว่ า, า, วาจเจริญทางสมดีค่ะแสนเสด็จเวลา เวลาเด้สังมาไลยบยไก่จากเจ้าเวลาจอหักจอมาพอกันไม่มือนาสิหาแนวมาตอนฝากจากกันเที่ยงซำนียูดีลวนครูสุคนเดือทานเด้อ ยอดจริงๆเลยค่ะกองลางที่เราล้อก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแสดงกองรางเมื่อกี้โดนน้ำใหญ่ชนโอ้ยก็นางรำราสวยมากเลยนะคะโดยเฉพาะชุดการราสวิงนะคะสวยมากๆเลยนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการร้องเพลงของมหาวิชาลามนาวาบุญนิยมค่ะซึ่งเป็นมหาลัยที่เปิดสอนในระดับชั้น ปริญญาตรีนะคะญญด้วยบัณฑาการศึกษามีว่าศีลเคร่งเก่งงานชำนาญวิชานะคะซึ่งเปิดเรียนเป็นปีแรกนะคะเปิดมาได้ทั้งหมด1เดือนแล้วนะคะก็มีนิสิตหลากหลายวะะัยค่ะนักเรียนที่จบชั้นมหกนะคะคุณแม่ท่านใดที่มีลูกอยู่มหกสามารถส่งลูกเข้าเรียนได้เลยนะคะไม่เสียค่าเทอมค่ะแล้วก็จะมีพ่อครูสัมมาโพธิรักนะคะ เป็นวิชาธิบปดีค่ะแล้วมีอาจารย์ที่สอนในภาคเรียนหลายๆท่านเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็ค่ะก็น้องๆมหนึง่งก็เตรียมข้าของมารอได้เลยนะคะกับหรับสำหรับการแสดงต่อไปนี่เป็นโรงเรียนใหม่นะคะโรงเรียนใหม่ไฟแรงเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> เป็นโรงเรียนกึ่งๆผมสองสีค่ะค่ะพร้อมแล้วนะคะ cara เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติปี2557นิสิตมหาวิชารามนาวาบุญนิยมร่วมกิจกรรมกับชุมชนเป็นการอาราธนาพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ซึ่งเป็นทั้งพ่อและแม่ทางจิตวิญญาณก่อเกิดเป็นหน่อเนื้อเผ่าพันธุ์พุทธโลกุตตระ เพื่อสืบสารปณิธานโพธิสัตว์ไปให้ถึงฝั่งฝันและเป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของการเปิดเรียนของมหาวิทชารามนี้มหาวิทชารามนาวาบุญนิยมได้ก่อกำเนิดขึ้นในวันอโศกรำลึก5มิถุนายน2557 ในโอกาสครบรอบ80ปีของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์นิสิตปนอบอขอตั้งมโนสันเจตนาหารเดินตามรอยพ่อครูสืบสารพุทธชีวีเพื่อดำรงศาสนาสมณะโพดม ให้ถึงห้าพันปีให้ได้นิสิตมหาวิทยารามนาวาบุญนิยมทุกคนขออาราธนาพ่อครูให้มีอายุยืนยาวอย่างน้อยหนึ่งร้ยห้าสิบอดปีสมดังเจตนาลมด้วยเทินสมดังเจตนาลมด้วยเทิน สมดังเจตนารมด้วยเธินสาธุสาธุสาธุเตรียมกรบ Thank you. ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะให้กับรุ่นพี่นิสิตนะคะรุ่นพี่โรงเรียนใหม่ของเรานะคะแม่ๆเชิญขยบขึ้นมาด้านหน้าได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นการแสดงของลูกๆมัธยมนะคะตั้งแต่ม .1 ขอเชิญแม่ๆ ม, มานั่งติดขอบเวทีได้เลยนะคะชมลูกหลานตัวเองนะคะ ค่าสําหรับมาก่อนได้ก่อนนะคะมาก่อนเห็นหลูกชัดนะคะมหาวิชาลามนาวบุญนิยมนะคะใครอยู่ข้างหลังกดนะคะมองไม่ชัดนะคะเปิดสอนฟรีนะคะสําหรับคุณแม่มาหกท่านใดนะคะที่สนใจส่งลูกมาเรียนได้เลยนะคะค่าเทอมไม่มีค่ะค่าเทอมไม่มีหรือว่าตัวแม่แ ม, แม่เองนะคะสนใจที่จะมาเรียนก็สมัครได้นะคะไม่ติดไหมแม่แม่ขยันมาเลยค่ะแม่ แม่ขอบแม่ที่นั่งอยู่แม่ที่อยู่ขอบๆนะคะเข้ามาด้านในด้ขอให้มานั่งด no ้านในด้วยค่ะ so ที uh ่พื้นที่มันจะว่างนะคะอ๋ออะไรค่ะแม่มอ .1 ก็มาจับจองกันอยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ใช่ใช่แม่มอ .1 ไหคะเนี่ยคนไหนมีลูกอยู่มอ .1 ยกมือขึ้นค่ะโอ้โหแม่ม .1 จริงป้วยอ๋อม .1 นะแม่มาเชียร์เต็มที่แล้วเดี๋ยวก่อนแม่มอ .1 อยู่เนี่ยเดี๋ยวฉันถามแม่แม่มอ .6 อยู่ไหนคะแม่มอ .6 แม่มมหกชูมือขึ้นเลยค่ะโอ้โหอยู่สะหลังเลยนะคะแม่แม่โหกแกชารากันมากแล้วไม่มีแรงยกมือโอเคนะคะน้องๆมหนึง่งพร้อมหรือยังคะพร้อมนะคะต่อไปขอเชิญพบกับการแสดงของน้องมหนึ่งได้เลยค่ะจะรับชมระฟังคาทดสอบทดสอบขอเสียงรมมือได้คะ่ะ น้อมกราบนรมการท่านสมณะท่านสิคขม่าทุกรูปค่ะและขอเจริญธรรมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านค่ะเจริญธรรมค่ะนักเรียนชั้นมหนึ่งจะมานำเสนอละครวันแม่เรื่องแม่ไม่มาจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ นักเรียนณโรงเรียนสัมมาสิขาราชธานีอโศกขณะนี้เวลา12นาฬิกาในห้องเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนทำขอ้อ ครับ เรียนทำความเคารพกราบ ยืมด้วยนะครับป้าเอาเลยลูกรีบๆโทนะขอบคุณครับมินต์เดี๋ยวเราขอยืมก่อนได้ไหมได้สิอขอบใจมากฮั <Okay. S 1> โลโหลครับแม่ของแม่มางานวันแม่หรือเปล่าครับจริงๆเลยครับแม่จะมาครับครับขอบคุณมากครับ ก็แลแม่เราว่าแม่เราจะมางานวันแม่อยู่อะหรอพูดเราดีใจมากเลยนะป้าป้าเอาไปคืนอ่าเสร็จแล้วพอมามาไปไปฮัลโหลแม่ที่โรงเรียนเขามีงานวันแม่แม่มาหรือเปล่าลืมช้อนพ่อมาด้วยนะฮะ แม่ไม่มาเหรอน้ำไม่เป็นไรค่ะเป็นไงบ้างมิ้นแม่มาไหมแม่ไม่มาทำไมแม่คนอื่นมาให้แม่เราไม่มา ชนอย่าเศร้าไปเลยกลับแม่เราก็ได้ใช่ใ ช, ชเราขอากลับบ้างเราด้วยเด้วยอย่าเศร้าไปเลยมแม่ไม่มาปีหน้ามีใหม่แล้วว่าไปร้องเพลงหาแม่กันดี ก, กว่าเผอจะได้อะไรมากขึ้นไ ป, ไ ป, ปไปกันอย่างง ขอไม้ด้วค่ะขอไม้ด้วค่ะอย่าอย่าอย่ า, ย, า ย, ยึดไม้แสดงแล้วอย่า ย, ยึดไม้นะคะค่ะก็น่าสงสารมากเลยนะคะละครของน้องปีนี้แม่ไม่มาดีนะแม่เรามาก็การแสดงนะคะหลังจากที่ช่วงที่น้องๆซ้อมนะคะน้องๆมหนึ่งเป็นปีแรกนะคะเรารู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งเหมือนตอนที่เราแสดงในปีแรกธรรมดาค่ะมหนึ่งก็จะมี อะไรที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่าน่าประทับใจนะคะแม่แม่มอลหนึ่งก็ดูไว้นะคะการพัฒนาการแสดงของลูกๆมอลหนึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค ะ, ะต้องติดตาม<อ>ชมทุกปีนะคะพ อ, อ, าพอมาอยู่ณจุดจุดนี้นะคะการแสดงมันจะดีขึ้นเลยโอเคถ้าเร า, เราอยากดูอันที่มันที่มันดีกว่านี้นะคะหรือ <c oughs> <c oughs> หรือมันจะดีแล้ว <c oughs> แต่รุ่นนะคะต้องติดตามชมเอานะคะต่อไปก็จะเป็นการแสดงของน้องมอสองนะคะความเรียงคะ่ะน้องมอสอง เรียกความพร้อมนิดหนึ่งนะค ะ, ะน้องๆม .2 พร้อมกันแล้วนะคะก็แม่ๆขอเสียงตัวมือกำลังใจให้น้องม .2 นะคะนักเรียนชั้นม .2 เสนอละครเรื่องส่วนที่หายไปเบนเนณนะบ้านเศรษฐีพันล้านเบ้นเน มีไหม有หน้าเขียวแบบนี้แกไปมีเรื่องกับใครมาฉันไม่เคยสอนแกแบบนี้ทำไมแกมึงโง่ทำไมพ่อตบผมอ่ะเอ้าก็ฉันเป็นพ่อแกนี่ แล้วคิดว่าพ่อดีนักไงเออเอ้าจะไปไหนหลังจากที่เขาเดินออกมาเขามายืนดูรูปภาพเพียงรูปเดียวที่แม่เขาทิ้งเอาไว้เขาอาศัยอยู่กับพ่อเพียงสองคนตามลำพังมาตั้งแต่อายุสี่ขวบ หลังจากที่แม่ทิ้งเขาไว้กับพ่อที่วันๆเอาแต่งานไม่เคยสนใจเขาเลยพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนต้องการเอาชนะทุกอย่างจนบางครั้งกับทำให้ผมคิดว่าพ่อมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าแม่ม่นาทิ้งผมไปอยู่กับพ่อเลย ณห้างสรรพสินค้าชื่อดังเบนนั่งทานกาแฟด้วยอารมณ์มือลอยอยู่มุมมุมหนึ่งของร้านแต่แล้วเขาก็เผลอหันไปเจอ พ่อของเขานั่งควงสาวอย่างกระหนุงกระนิงขับนไนงเขาเนคเซียเสียขาหนูอ่ะอยากได้คอนโดแล้วก็อยากได้แหวนเพชรด้วยละ่ะคะเซียเอาใจเย็นจ้าแต่ว่าเสียมีงานนะจ๊ะเออวันหน้าเราวันหน้าค่อยเอาได้ไหจ๊ะอีกแล้วหรอคาเซีย เอออะไรก็งานหะน่าเบื่อแล้วหนูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียอรอนานไหมคะไม่นานจะเอ่อเสียคะแล้วเงินที่ว่าเสียจะเอาให้หนูหรอคะเอาใจเย็นเฮ้ยมาดิ อ like ุ้ยขอบคุณค่าเสียไม่เป็นไระเสียคะหนูไม่ทันแล้วค่ะมีงานเข้าค่าเสียหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อโอ้ยหนูรีบจริงจิงค่าเสียขอโทษนะคะเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์ตการโทรศัพท์ฮัลโหลเจนนนุ่นจ๋า เออว่างไหมจ๊ะว่าูค่ะมาเสียที่ร้านกาแฟนี่จ๊ะคาเียเดี๋ยวต้องไปค่ะเจอกันจะอ้ามาแล้วสวัสดีคาเียเสวัสดีอะไรคเียเออวันนี้เราไปดูหนังกันมจ๊ะไปค่ะไปกันเถอะค่ะปเราไ ป, ไปนี่ก่นจะค่ะนี่คือความรับที่พ่อปิดบังเบนมาตลอด พ่อมีเมียเก็บไม่รู้กี่คนต่อกี่คนในวันนี้จึงเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่จึงทิ้งพ่อไปถ้าเป็นผมผมก็รับพฤติกรรมของพ่อไม่ได้เช่นกันเขาออกตามหาแม่วันแล้ววันเล่าจนเขารู้สึกเหนื่อยในใจเบ้นคิดถึงแต่แม่และคิดว่า สักวันหนึ่งเขาต้องเจอแม่ให้ได้สิ่งที่เขาได้เกิดมานั้นแม่คงเหนื่อยและอดทนมามากถึงแม้ว่าจะไม่มีแม่อยู่ข้างๆแล้วแม่จะอยู่ในใจเบนเสมอเบนจะสู้ต่อไปให้สมกับชีวิตนี้ที่ได้เกิดมา เป็นลูกแม่ นักเรียนชั้นม2จะร้องเพลงแม่นะคะ น้องซ้อนชั้นมสอของเรานะคะก็แสดงกันได้สมบทรณ์บบจริงๆเลยค่ะโดยเฉพาะอาเซียนะคะอาเซียอาเซียอาเซียอขออาเซียเลยค่ะกรีมากเลยคะอาเซียหน้านี่ยางหื่นเลยค่ะูเชื่อว่าแม่แม่หลายๆคนอาจจะติดใจอาเสียนะอาเซียชื่ออะไรคอาเสียคนโตทอาเซียได้นะคะอาเซียชื่ออะไรคะผมชื่อเด็กชายพุทธมณลราศีชื่อเล่นชื่อมิดครับอ่าแม่น้องมิดคนไหนยกมือขึ้นค่ะแม่น้องมิดโอแม่น้องมิดแม่น้องมิดนะคะแม่น้องมิดอยู่ไหนคะ เอาแล้วค่ะมิดแม่เธออยู่ไหนแม่เอาแม่ไม่แม่มาไหมมแม่แม่มาแล้วแลแม่ไปลุ้นซ่อนอยู่ไหนล่ะพี่อยากให้แม่เธอมาเห็นช่วงที่เธอเป็นอย่างนี้จริงไหมได้ไมไ้ไข้างเสาไหนฮะทำไมบอกเมื่อแม่โอ้ยถูกสงบทามขนาดนี้สุดยอดเลยแม่โอก็แม่ให้กินอะไรคะถึงการแท็กตีแตกอย่างนี้แล้วซ้อมเป็นไงบ้าคะการซ้อมของม .2 นานไหมคะก็ไม่นานครับ ก็เซนส์เขาจะเซนเซอร์แต่เพิ่งจะคิดบทละครได้พอดีแต่ก็ไม่ตายคิดแบบว่าคือถึงวันแสดงก็เอาเถอะทาให้ดีที่สุดก็พอแล้วเขาเรียกว่ามืออาชีพนะคะก็ขอบคุณน้องมิดมากนะคะเสียแล้พี่จะไปขอคอนโดนะคะพี่ว่าจะไปขอโมเดขึ้นมาเป็นมสองก็จะมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นคไม่มีบทไม่มีอะไรชั้นขึ้นเล่นอย่างเดียวนะคะให้บทมานิแสดงมาเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงของลูกๆชั้นมสามค่ะไหนคะแม่มสามอยู่ไหนคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะแม่นมสามอ่าวแม่มสามคมสามมีแม่มสาคนขอบคุณค่ะตื่นตาตื่นใลูกๆมสามมีเยอเลยแม่มสแม่มสามนะคะโบกมือกันใหญ่นะคะค่ะก็แม่แม่มสามคงเฟลอร์ลูกมันเป็นที่รักแล้วนะคะขอเชิญพบกับการแสดงของน้องมสามได้เลยค่ะ ทผู้ปกครองทุกท่านค่ะนักเรียนชั้นมสามขอเสนอละครเรื่องซื้อเวลาเชิญรับชมได้แล้วในบัตรนี้ค่ะณนะบ้านจ่าเฉย ไปซื้อของยาม จ่าจ่าอยู่บ้านไหมจ่าบจบคัร่าวันนี้ก็จะพาไปจับพวกขายานะี่ยมันนัดกันไปขายยาที่ท่าเรือหมอเต้เขาไปเสือกมาสวัสดีค่ะตาสบายนะคะไปจ่าเราไปกันเถอะเดี๋ยวเสียเวลาน่พ่อกันเล อินแบบทานข้าเย็นละไม่ไม่ไม่ผมตวจณโค ด, <c oughs> ดังร้างบริเวณท่าเรือ มันงหมดมันอยู่นั่นเดี๋ยวเรามันส่งยานก่อนเฮ้ยอยู่นั่นี่อยู่ที่ตำรวจ ฟุ้งไ ป, ไปตื่นหรือยงังตื่นได้แล้วนะสายแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเรียกยได้่สายกันจังเอานี้นอนแม่ไม่ได้ทากับข้าวไว้นะแม่รีบงานแล้วรี่ไปโรงเรียนด้วยอ่ะนอนเงินฟุเสร็จขณะนี้เวลาส6หนาฬิกา างา น, นมาอเเป็นแบบนี้อีกแล้วแม่มีเวลาให้เราเลยอ่ะเรางะทำไงดีอนะนทงไงดีล่ะบิ น, น อ, อ๋ดอกแล้วม น, นี้มา น, นี้พี่ว่าเอาเงินมานั่งรอแม่นะเออถ้าแม่มาเรียนิด้วยพี่ว่งมากเลยตอนนี้ น, นแลขณะนี้เวลา เรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรรีบพูดมาฉัน ม, มีเวลามากผมขอซื้อเวลาจากแม่ได้ไหมอะไรของแกแม่ปังก่อนสิแม่ไม่เวลาผมเลยไม่อุ่นเหมือนเคยแล้วฉันจะพิจารณาดูแล้วเงินของฟุคกก็สามารถซื้อเวลาได้จริงๆ ทำให้พ่อของเขากลับมามีชีวิตและครอบครัวที่อบอุ่นอย่างที่เขาต้องการเช้าวันต่อมาพ่อมาได้ยังไงพ่อกายแล้ไม่ใช่เหรอพ่อก็หม่ทิ้ง ก, กันนะแม่แม่เป็นอะไรมากเปล่า ในชีวิตจริงคุณไม่สามารถซื้อเวลาได้ในเวลาที่เหลือนี้คุณจะใช้เวลากับงานหรือคนที่คุณรักมากกว่ากัน นักเรียนชั้นมสขอมอบทเพลงผู้หญิงที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านค่ะพร้อมหนึ่งสองสมสสองมือที่คอยประคองที่คอยปกป้องคุ้มภัยตั้งแต่เราลืมตาก็อยู่ในความทรงจำตั้งแต่เราเองจำความไม่ได้ ไม่ว่าจะงอแงจะหน้ า, นาลำคัญแต่ว่าเธอก็ยังยิ้มได้ไม่เคยบ่นอะไรแต่กับกอดพเบาและกลอมให้นอนฝันดีจะขอกราบเท้าแม่ผู้หญิงที่ดีที่สุดไม่เคยเรียกร้องอะไร แค่ขอให้เราได้อยู่รอดปลอดภัยจิตใจยังสวยยังงดงามแม้การเวลาจะผ่านพ้นไปรอยยิ้มก็ยังเหมือนเดิมสายตาก็ยังเป็นห่วงอ้อมแขนก็ยังอบอุ่นเหมือนเคย จะนานกี่ปีสองมือคู่นี้ก็ยังเป็นห่วงว่าจะอยู่ยังไงสบายดีไหมแล้วท้องจะอิ่มหรือไม่ไม่ได้นึกถึงไม่ได้กังวลว่าตัวเองจะเป็นเช่นไรถึงแม้จะเหนื่อยยังไงก็บอกว่าไม่เป็นไร มาแม่จะปลอมให้นอนฝนดีอย่าจะตอบแ ท้งแขนก็ยังอบอุ่นเหมือนเคยถึงแคนลูกไม่ค่อยอุ่นแต่จะขอกอดแม่แบบนี้ตลอดไป ไปไหนกันหมดอยากได้โจน่ะโจนโจ น, โจนโจนโจนไ ป, ไ, ปไหน อ, อ, อ่ะมันไปแล้วเฮ้ยโจนไปแล้วเมื่อกี้โจนเล่นสม บ, บัติมาเมื่อกี้แม่แม่ดูทันไหมคะว่าจะทำไมพ่อถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมคะแม่แม่ตอบรับเราจังเลยก็คือก็คือเรื่องนี้นะคะมันชื่อเรื่องว่าซื้อเวลานะคะ มาลูกลฟลุ๊กซื้อเวลาจากแม่นะคะพ่อก็เลยกลับมาด้วยเอ่อพื้นขึ้นชีพขึ้นมานะคะพ่อเป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ะแล้วต่อไปเป็นกิจกรรมของมอไห น, นะคะการกิจกรรมของน้องมอสี่นะคะไม่ทราบว่า พ, พร้อมหรือยังอ่าเริ่มเข้ามอไปนะคะเดี๋ยวขอดูแม่มอสี่หน่อยอ่ะแม่มอสจูมือให้หนูเห็นนะคะแม่มอสี่คะแม่มอสีหนึ่ ง, ง, <อ>งแม่แม่คนเดิมยกอีกแ่ห้าหกเดี๋ยวค่ะ แม่เอ็มคะใช่แม่เอมหรือเปล่าแม่แม่เอมยกสองมือนะคะลูกที่ฉันสองคนเป็นแบบโอเคนะคะแม่นี่ลูกอยู่หลายมอนียนะคะเวลาประชุมแม่ไปมอไหนคะแม่ดีนะเติมเต็มยังไม่เข้าอี่ยกสามมอเลยทีเดียวนะคะแม่มอสีก็มาเยอะกันพอสมควรนะคะมอสี่พร้อมหรือยังคะโอเคนะคะน้องนมอสี่พร้อมแล้วนะคะก็ขอเชิญพบกับการแสดงของน้องน้อมอสีได้เลยค่ะ จะเริยนท ำ, ทำครูรู้และพ่อๆแม่แม่ทุกคนค่ะพวกหน<อ>ูเป็นนักเรียนชั้นมสีและปะวชวปีหนึ่งจะมาสะแสดงละครเรื่องความคิดที่ผิดผพลาดขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ<อ>่ะหากกล่าวถึงคำว่าครอบครัวหลายคน อาจคิดว่าเป็นสิ่งที่สวยงามอบอุ่นสมบูรณ์เสมอแต่ในบางครั้งมันไม่อาจเป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้เหมือนชีวิตของฉันในตอนนี้หนะ้าบ้านของขวันพ่อคะแม่คะใหม่ไปตรงไหกันนะคะแม่ตั้งใจเรียนะลูกค่ะพ่อไม่จ้ะเดี๋ยวแม่ไปส่งค่ะแม่ ที่โรงเรียนยไม่ให้อใหญ่ใหญ่เรียบร้อยใช่ไหมครับครูเรียบร้อยดีค่ะพ อ, อนักเรียนคะวันนี้เราพอแค่นี้นะคะ ขอบคุณค hmm. ่ะไม่ว่าคิวก็ถ่ายรูปสวยดีนะว่าแต่ทำไมถึงชอบถ่ายรูปล่ะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เก็บความทรงจำที่ดีนะอืม เฮ้ยพ่อเรามาพอดีอ่ะเรากลับกันนะคิวอืมบไปอ้าวว่าไงว่าคิวอ้าวว่าไงว่าต่อใครมารับใหม่วะเห็นใหม่บอกว่าพ่อน่ะพ่อเหรอใช่พ่อไม่ไรป่าวะเ่าเบาแล้วกลับกันเถิดไป เช้าวันใหม่ที่โรงเรียนใหม่ใม่อ้าวว่าในคิวมาหนาด้วยยังสักพักแล้วลหละและคิวล่ะเพิ่งจะมาเมื่อกี้นี่เองอ๋อเออใหม่เมั่วานตอนที่พ่อใหม่มารับนะเราเห็นในต่อมาทำหน้าแปลกนะมีอะไรหรือเปล่าหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอืมงั้นเราไปเรียนกันเถอะ ไม่ไม่ยังพึ่งกลับสิมีอะไรเหรอต่อเราจะชวนเธอไปซื้อของมาทำรายงานหน่อยอ่ะอืก็ได้นะเราว่างพอดีเลยงั้นเราไปกันเถอะโอเคหนะ้าห้างกับระสินค้าเ อ, อ่อต่อครับเราไปข้องนะ้าแป๊บหนึ่งนะโอเคงั้นเรารอตรงนี้นะโอเค ผมครับอ้อไงต่อภาษามาเทีย่ยวหรอวะป่าเราทำมาซื้อของนิดหน่อยพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเอาว่าไงล่ะต่ อ, อยป็นไงบ้างกันเราอ่ะผมก็สบายดีครับ แล้วพ่อกับแม่เป็นไงบ้างครับก็ส บ, บายดีจ้ะเราส บ, บายดีนี่พี่เก่งใช่ไหยครับโอ้ยคนจายังใช่ได้ดีเราอ่ะ้วว่าจะลืมพี่ไปซะแล้วโหพี่ชายอุนสังค์คนทำไมจะลืมไม่ได้ล่ะครั บ, บเอองั้นพวกเราขอตัวซื้อของนะตามส บ, บายเลยเพื่อนเช็คกีเช็คกีต่อ นี่ใช่ไหมเหตุผลที่นายพามาชิลเลนที่เนี้ยนายรู้ทุกอย่างแล้วใช่ไหมต่อนายทำางี้ทำไมอ่ะนายตอบนะพอดีเฮ้ะเดี๋ยวน้หาบ้านของใหม่ กลับมาแล่าเหรอลูกนั่งก่อนสิแม่คะพ่อหายไปไหนแล้วคะพ่อไปเชียงใหม่จ้ะสองสามวันถึงจะกลับมึมีอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อกี้มาเห็นพ่ออีกข้อค่อยๆเนื้อความของพ่อแม่มาที่หนใช่ไหมคะไม่ใช่แม่รู้ทุกคนรู้ไม่แต่ทำไมแม่ไม่รู้อะแม่ไม่ไม่ ขอบคุณที่มาหาที่ไม่รู้ว่าองคิดถึงใจที่ ซิงซิงคือคืนนี้ใหม่ขอนอนได้ไหมเราอยู่หน้าห้องซิงนี่แหละ อ่ะเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เจอนิทานเรื่องหนึ่งเว้ยแล้วว่าเองต้องชอบแน่ๆเลยเกี่ยวกับบะหมี่อ่ะเฮ้ยจริงดิเองยังเองยังชอบบะหมี่อยู่ใช่ปะเอ้ยังจำได้เปล่าเนื้อว่าลืมไปแล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อนเสียอย่างจะลืมได้ไงอืมเขาอ่ะมันเป็นแบบมี เองลู้ป่ะเคยมีคนตายเพราะบะหมี่นี่ด้วยเฮ้ยจริงดิทําไมอ่ะเขาอ่ะเป็นรุ่นพี่สิทธ์เก่าคนหนึ่งเวย้ยเขาชอบกินบะหมี่เป็นชีวิตจิตใจเลยะและเองรู้ป่ะพี่เขาก็เดินข้ามถนนด้วยไปซื้อบะหมี่กินนี่แหละและเองรู้ป่ะว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เขาอ่ะก็เดินไปเวย้ยเดินไป แล้วก็เดินไปหลังจากนั้นน่ะพี่เขาว่าก็ถูกรถชนตายเว้ยไม่เ ห, ไ, หไม่เห็นตลกตรงไหนเลยเอา้าตลกไหนสิไม่ตลกแล้วขำปะล่ะโอเคไม่ต้องเครียดหรอกพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่สิงว่าตอนนี้ไปนอนกันเถอะไปได้ไ ที่บ้านใหม่ที่บ้านใหม่ไม่ต้องคิดมากนะ เรื่องลูกเนะ่เดี๋ยวถ้าลูกกลับมาแล้วผมจะอธิบายให้ลูกฟังทีกอย่างเองุพักผ่อนเะนะ ค่ะแม่หม่ไม่เคยทาเล็บจริงดิจริงเหรอซิงคใหมไม่เคยทาเล็บจริงๆรเหรอค่ะแม่อ๋อใหม่ตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาใหม่ก็ไม่เคยทาเล็บเลยค่ะแม่จริงๆดีงดิงั้นใหม่ชอบสีอะไระลูก ซ, ซิงแล้วซิงอ่ะว่าสีอะไรเหมาะกับใหม่ละลูกซิงว่านะน่าจะเอาสีใสๆมันเหมาะกับหน้าอดิ จริงหย แ, แม่เลยนะลูกค่ะใหม่ใหม่นีปัญหามาอย่างนี้มันจะดีหรอลูกใหม่ไม่ได้คิดที่จะหนีปัญหาเลยนะคะแม่ใหม่แค่อยากขอเวลาตัวเองมาทําใจสักระยะหนึ่งท่านั่นเองค่ะแม่แม่ว่าใหม่น่าจะกลับไปคุยกับแม่ให้เข้าใจนะลูกยังไงเขาก็เป็นแม่ของเราใหม่เข้าใจแล้วค่ะแม่งั้นวันนี้ใหม่จะกลับบ้านนะคะ ดีแล้วล่ะลูกคุยกันจะได้เข้าใจกันเนาะงั้นวันนี้อยู่กินข้าวว่าเราก่อนนะไม่ว่าไม่รีบกลับดีกว่านะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงยังไงก็มีอะไรก็ยังกลับมาหาพวกเราได้เหมือนเดิมนะสิงใช้มีอะไรก็มาปรึกษาเราได้นะขอบคุณนะคะแม่ขอาใจนะสิง ใจเย็นกันนะคุณเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้นะ ไปตีกันสิงั้นคุยกันนะพ่อขอโทษนะที่พ่อกับแม่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับลูกพ่อกับแม่ก็อยากให้ลูกเข้าใจนะคือพ่อ ไม่เป็นไรแล้วค่ะพ่อแม่หม่ว่าใหม่เข้าใจทุกอย่างนี้แล้วค่ะแม่ดีใจนะลูกที่ใหม่เข้าใจหม่ก็ดีใจค่ะแม่เราจะเริ่มกันใหม่นะลูกค่ะแม่แม่คะไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็ยังมีใหม่นะคะใหม่ยรักแม่นะคะแม่แม่ก็รักลูกจ้ะแล้วใหม่ทานอะไรมาได้ยังลูกยังเลยค่ะพ่องั้นเราไปทานข้าวกันเนาะ เดี๋ยวสิพ่อคิดว่าพรุ่งนี้เราน่าจะลองไปทานข้าวกันที่บ้านดูนะมหมายาคิดว่าไงลูกมหมายก็ดีเหมือนกันนะคะงั้นวันนี้เราไปทานข้าวด้วยกันก่อนเนะาะค่ะห้องทางนู้น Too big. มากันแล้วเหรอจ๊ะสวัสดีค่ะอุ้ยหนูใหม่ตัวจริงน่ารักกว่าในรูปอีกนะเนี่ยขอบคุณค่ะไม่หล่ะผมบอกคุแล้วงั้นเราเข้าไปทานข้าวในบ้านกันเถอะจ้านหนูใหม่จ๊ะแล้วหนูใหม่รู้จักพี่ๆเขาหรือยังยังไม่รู้จัก คุณคนแนะนำให้ใหม่รู้จักเลยนะพี่ชื่อพี่เก่งครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักครับเราชื่เกิร์นะผมชื่อกองครับสวสนะครับนี่นตาต้องน้องพี่สาวแล้นั่นน่ะคุณก็ไม่เห็นต้องดูลูกเลยใช่ไหมตาต้องครับแม่แมได้ใจใหญ่เลยนะตาต้อง แต่หากเรายอมเปิดใจยอมรับในปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราก็จะรู้ว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอหากย้อนกลับมาที่เรื่องนี้จะทำให้รู้ว่าไม่ว่าแม่จะเป็นอย่างไรท่านอาจจะทำผิดพลาดไปมากแค่ไหนแต่ยังไง ท่านก็คือผู้ให้ลมหายใจและจิตวิญญาณของเราท่านคือแม่ของเรา ยังไงบ้างคะละครวันแม่ดูรู้เรื่องไหมคะขนาดคนแสดงเองยังงงเลยนะคะก็มไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันมากแค่ไหนแต่ก็พวกเราก็พยายามมาเต็มที่ค่ะก็ในการในการซ้อมในการเตรียมตัวค่ะก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ในระยะเวลาที่ซ้อมก็มีปัญหามากมายค่ะมี อุปสรรคที่ทำให้ร้องไห้กันบ้างทำให้เสียใจแต่ว่าเราก็พยายามเพื่อวันนี้เพื่อให้พ่อๆแม่แม่ได้ดูกันในละครของพวกเราค่ะ สำหรับหนูนะคะมันเป็นงานวันแม่ครั้งแรกที่ได้แบบมาอยู่ในที่นี่นะคะในบ้านลาดเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่ใช่เด็กที่นี่ค่ะในในในความรู้สึกก็รู้สึกมันคลังคลังดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะพ่อ พ, อพอแม่ๆที่แบบมาในงานนี้มาเป็นผู้รับชมที่ดีให้กับพวกหนู แล้วก็หนูรู้สึกรู้สึกรักแล้วก็เป็นจะพยายามเป็นรูปที่ดีอันนี้ไม่ได้พูดให้ตัวคนเดียวนะคะพูดให้กับลูกๆทุกคน เป็นปีแรกเหมือนกันค่ะที่ได้มาร่วมงานวันแม่ของวัลาดแล้วก็เป็นปีแรกที่แบบแม่ได้มาร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะปกติหนูมีพี่ใช่ไหมคะแม่ก็จะไปหาพี่อย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่อบอุ่นค่ะแบบเด็กก็เยอะผู้ปกครองก็มาเยอะอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบมันอบอุ่น แม่ก็ไม่ได้มาดูแค่ลูกของตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะมาดูลูกของเพื่อนลูกของพี่ลูกของน้องๆก็มันทำให้ดูเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจคะ่ะ สำหรับพวกหนูนะคะตั้งแต่สปีที่อยู่มานะคะก็อยากให้แม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้หนูมีกำลังใจแล้วก็สู้มาถึงทุกวันนี้ได้ก็คือแม่นะคะ จบลงไปแล้วคุ้มค่าในกนลรอคอยจริงๆนะคะเขาบอกว่าต่อจากนี้ต่อเลยนะคะเขาบอกว่าพิธีกรพูดมากแล้วค่ะขอเชิญขอเชิญชมะละครต่อไปเลยนะคะของน้งน อ, นองๆม .5 นะคะขอให้แม่ๆหันไปทางโทรทัศน<ฮ>์ทีวีนะคะจะเป็นวิดีโอนะคะไม่ใช่การแสดงสดนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะปิดไฟด้วยนะคะทีมงาน ณชาติเมืองแห่งหนึ่งมีสถานรับเลี้ยงเด็กกำาร้าอยู่แห่งหนึ่งมันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเด็กที่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเด็กๆที่นี่อยู่กันอย่างมีความสุขมานี้เองก็เป็นหนึ่งในเด็กๆ เ, เหล่านั้นเธอเล่นกับเพื่อนหัวเราะ ก, กับเพื่อนมีความสุขตามภาษาแต่ในใจลึกๆแล้วเธอขาดความอบอุ่น ความอบอุ่นที่มีแต่พ่อกับแม่เท่านั้นที่ให้ได้เธอเติบโตมาพร้อมกับคำถามที่ค้างคาในใจตลอดว่าพ่อแม่หายไปไหนสิ่งที่มานียังคงพกติดตัวตลอดเวลาคือลูกคุณแจตานอย่างบอกเธอว่านี่คือสิ่งที่แม่ของเธอทิ้งเอาไว้ให้เธอมานีมีความสุขกับการหัดอ่านหนังสือนิทาน มิ่งในสนามหญ้าแต่ความสุขวันผ่านไปเลงเสมอเพราะอยู่มาวันหนึ่งก็มีครอบครัวใจดีมารับเอาเพื่อนๆของเธอไปเลี้ยงดูจนหมดและเธอก็ไม่ได้เจอกับเพื่อนๆของเธออีกเลยมานี้รู้สึกหนาและโดดเดี่ยวมีไม่กี่คนดอกที่จะสังเกตถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเธอเธอเริ่มอองหางคนอื่น ไม่เล่นไม่พูดไม่จาทไใครบางคนบอกว่าเห็นมานีพูดอยู่คนเดียวแต่ถ้าทางมันพูดอยู่กับใครสักคนมี่ยังไม่รวมความรู้สึกประหลา ด, ลาดที่คนรอบข้างมันได้จาก แต่ที่จริงแล้วฉันไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่เป็นใครหรอกนะคะการที่ต้องตื่นเตนมาด้วยตนเองทำให้เราเป็นคนที่สร้างคมากกว่คนอื่นถึงอย่างนั้นก็ตื่ฉันก็ยังคิดถึงแม่และตั้งใจเอาไว้ว่าสักวันจะต้องตามหาแม่ของฉันให้เจอให้ได้ ความสุขกับการเรียนดีแต่ก็มีปัญหานิดนึง <c oughs> งานลำบากพวเราเลย ชูใจเธอเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ยิ้มก็ไม่ค่อยยิ้มแต่เขารักเพื่อนมากเมื่อตอนกลางวันเธอยังมาช่วยหนูจากคนที่มาน้อหนูเรื่องที่หนูเป็นเด็กกาพร้าเลยแต่หนูไม่ได้น้อยใจหรอกนะคะหนูแค่คิดถึงแม่หนูเชื่อว่าแม่ยังเฝ้าดูหนูจากที่ไหนสักที่นึง่งในสักวันหนึ่งหนูจะตามหาแม่ให้เจอแม่คะหนูรักแม่นะคะ ไม่เป็นไรหรอกา ไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าออไม่เป็นไรถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องบอกตอนนี้ก็ได้เรื่องแม่ค่ะคือหนูมาี่เธอยังมีครูแล้วก็เพื่อนๆ อ, อยู่ อยู่ในคอเธออ่ะมีแต่อะไรหรอก็เห็นดูใจมานานแล้วก็ไม่รู้สินะแต่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่เราจำความได้แล้วอะ่ะเออชูใจคืนนี้เราไปนอนบ้านเธอได้ไหมอะ่ะเรารู้สึกไม่เคยโอเคเลยได้สม่ไม่ว่างนาแม่เีย่ยนี่กับบ้านเธอใกล้เอแล้ว มานีลูกรักแม่เสียใจเหลือเกินที่ไม่สามารถดูแลลูกเหมือนแม่คนอื่นได้ไม่ไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้ามานีจะโกรธแม่ไม่มีความจำเป็นบางอย่างที่ต้องทำแบบนี้มานีแม่อยากจะวางลูกเอาไว้อีกอย่างแม่คิดว่าถึงเวลาแล้วแหะที่มานีจะต้องรับรู้ความจริงมานีแม่ ศรัทธาของเธอตามหาความทรงจำที่หายไปความรักของเธอที่มั่นคงในแม่จะนำทางเธอเองมานี่ ที่อะไรหน้าร้านก็เอ้ยหน้าที่เจ็ดหกแปดค่ะโคบลูมีธุระอี่ง่าู่เหรออ๋อพอดีมีธุระที่น่ารีบหน่อยค่ะบ้านหลังนั้นน่ะมันมีประวัติมืก่อนเมืก่อบ้านนี้เคยมีครอบครัวหนึ่งอยู่แล้วครอบครัวนี้ก็เกิดเหตุการณ์บาอย่างเหตุการอะไรคะลูเดี๋ยวโคบลงไปให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ อย่ต้องข้าวเมนะ่ะมันมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนั้นแหละที่เป็นงานตาเกา๋าแต่ก็ระวังตัวให้ดีนะนะช่วงนี้น้ำยิงท่วมอยู่ด้วยขอบคุณมากครับลุง มัอนอาจจะอันตรายจริงก็ได้นะเขายังเจะไปกับเราอยู่ไหมชื่อเพื่อนอะไปไหนไปกันอยู่แล้ว เสียใจไปเลยนะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่คอยเฝ้าดูลูกแม่แม่มีความสุขที่เห็นลูกเติบโตมีเพื่อนที่ดีตั้งใจเรียนและไม่ย่อท้อต่อคําดูหมิ่นนินทาเพียงเท่านี้แม่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมานีลูกแม่ขอให้ลูกเติบโตเป็นคนดีที่ไม่ยออ่อท้อเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างได้มานีแม่รักลูกนะ ดูใจเธอเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างเรามาตลอด มากนะคะที่ให้หนูได้เกิดมาถ้าแม่มองหนูอยู่หรืออยู่ใกล้ๆหนูอยู่ในตอนนี้หนูอยากให้แม่รับรู้ไว้ว่าหนูรักแม่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะลูกๆของแม่ ฉันโมหากลับไปสร้างหนังผีเหอะลุ้นจบไปแล้วอย่างตื่นเต้นเฮ ห, หายใจไม่ทั น, น, นลุ้นกัตกลงแม่เป็นผีหรือเปล่าตกลงตกลงแม่ตายไหมคะยังสงสัยอยู่นะก็เป็นฝีมือการตัดต่อของของของใครคระโมหา่าของน้องโอมเพียงตะวันนะคะใช่ไหมโอมใช่ไหมโอ ม, โอมตัดต่อต ใ, ชใช่ไหมคะ พ่อแม่น้องอมคงแิมอมเป็นคนเ<ม>ก่งนะแต่ให้พี่งงไหนพ่อแม่น้องอมอ่ไหนเนี่ยไหนอะไหนอะเอ้าพ่อแม่น้องอมไม่อยู่ดูเหรอคะตื่งเต้นาเลยอะแบบพูดอะไรไม่ถูกก็น้องโมาหาก็ทุ่มทุนสร้างกันนะคะวยังไงพ่อแม่น้องโอมยังไงยังไงไห น, น, นพ่อบอกมือยค่ะพ่อบอกมือเลยคะ่ะลูกลูกลูกคนทำได้ดีไหมคะพ่อขอเสียงหน่อย โอ้ยก็นะคะก็สำหรับต่อไปเลยเนาะดึกแล้วรายการต่อไปเลยนะคะก็เป็นของน้องน้องชั้นมอสามค่ะจะมาเปิดงานพิเศษให้เราได้ดูนิดหนึ่งนะคะเป็นการไม่ทำให้มันน่าเบื่อมากเกินไปนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่ตื่นตัวน hey, ิดหนึ่งถ้าใครลักสนุกก็เชิญหน้าเวทีได้นะคะค่ะน้องมอสามพร้อมหรือยังคะ โอ้โอ oh ้ oh. น้องมสามพร้อมหรื อ, อย่างเลยอ่านน้องมสามพร้อมแล้วะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆมสามอีกครั้งค่ะ เสียงเล็กน้อยถึงกลางนะคะเสารของน้องๆก็จะมีการเิดพลนนิดหน่อยนะคะก็เลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะขอขอบคุณน้องมสามนะคะที่มาเล่นแสดงให้เราได้ดูกันนะคะเป็นการเต้นที่น่ารักนะบลค่ะทเต้นเต๊นเต๊นอต๊นนนเต๊นอนอต๊นเเน ก็แบบประมาณมหนึ่งใช่ไหมคะแม่ถ้าไม่บอก่าอยู่ม .6 ก็ไม่มีใครรู้อะค่ะแม่ใครโหคะแม่ใครโหเดี๋ยวเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญก็นะคะต่อไปก็จะเป็นการแสดงไม่ใช่เด็กเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอของพี่พีนมหกนะคะเป็นเป็นนักเรียนที่เด็กที่สุดนะคะไม่แต่ละคือแสดงมาเกือบทุกปีแล้วปีนี้ก็ขอทำเนื้อทาตัวหน่อยนิดนึงก็เอาแบบเบาๆแล้วกันนะคะถ้ามหกพร้อมแล้วก็ ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะแม่ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ ว่าจะได้อยู่ไกลแม่จะได้ม่มาพ่อมาฝากุบกเลยเราารู้สึกอีนี่เไม่มีแม่แล้วเราจะกินที่านมกไหเรารต้องมสามก็จะทำให้เราแก้นเป็นีอยากให้ถูกีนานเสีงมันไม่อยากมาแต่เราดื้่ฟัง ได้เราก็ไม่ได้อยู่กับแม่อยู่แล้วได้ไปอยู่โรงเรียนประจำอยู่แล้วแล้วทีนี้พอจบจากที่แน่นก็ยังต้นย้ายมาอยู่โรงเรียนประจำอีกก็จะไม่ได้เจอกับแม่อีกนานๆทีถึงจะได้เจอก็รู้สึกเสียใจนิดๆแต่ก็คิดว่าดีเพราะว่ามันช่วยพ่อแม่ได้หลายอย่างก็ช่วยประหยัดค่าทุนนี่ได้มันเสียแค่ค่ารกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากให้มาก็มาที่นี่ ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลขนาดไหนไม่ได้อยู่กับแม่สักกี่ปีกีป่ปีอะไรอย่างเงี้ยเออยังไงเราก็เป็นแม่ลูกยังยันไงมันก็ความสัมพันธ์มันก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะเออแบบเล่าอีกอย่างหนึง่งเรารู้สึกว่าการที่เราอยู่ไกลเราทำมันทําให้เรารู้สึกว่าเรารักแม่มากขึ้นกราลึกถึงแม่อยู่ตลอดเวลาเออก็รู้ถึงความลําบากความยากเย็นกว่าพ่อกับแม่จะพาครอบครัวให้มาถึงไอแบบให้เราโตได้ขนาดเนี้ยเออ มันแค่นี้มันก็น่าจะพิสูจน์ได้แล้วว่าถึงไม่ได้อยู่ไกลกันความรักมึนก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยคือตัดสินใจมาเรียนที่นี่เองค่ะรู้สึกว่าอยากฝึกตัวเองแบบว่าอยู่ที่บ้านก็รู้สึกเหมือนจะใช้ชีวิตสบายไปวันๆนะคะแม่จะจะช่วยอยู่ห่างๆะคะ่ะแต่แบบว่า ให้อิสระในการตัดสินใจของเราในแต่ละเรื่องคือจะไม่บังคับว่าเรื่องนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้เราต้องแก้ปัญหาอย่างนี้คือแม่จะให้จะให้เอื้อคิดเองเป็นนะคะถ้าที่จำความได้แม่ก็จะไม่เคยทำอะไรที่มันไม่ค่อยดีให้ลูกเห็นเท่าไหร่แม่ก็จะแบบเอออย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วแม่พูดแล้วแม่ก็ทาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่นับถือแม่มาก แม่ก็อยากให้เรียนให้จบแล้วก็อยากให้เรียนต่อไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่แม่หวังมากเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนช่วงประมาณต้นๆเพิ่งเปิดเทอมวันนี้แหละก็บอกแม่ว่าจะไม่เรียนแล้วนะจะเอาแค่ม .6 แม่ก็บอกอยากให้เรียนอีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเองไม่ใช่ว่าจะช่วยแม่อะไรอย่างนี้แม่ก็อยากให้เราเรียนให้จบให้สูงสุดเท่าไว้ เพื่อที่ว่าจะเป็นอนาคตที่ดีของเราเองครั้งแรกที่ผมมาเนี่ยที่แรกคิดว่าน่าจะเขาเาะ้าว่าได้มีอย่า ง, งเาอยู่บางนี้นะแม่ว่ามันดียังเสียเอ่กันีลเฮ็ด เห็ดเห็ดเพล่พลนอ่ะเห็ดเพลเพลนก็เลยย่อมออกออกมาจากบ้านอะ่ะเป็นคนที่แบบวอกว อ, ออกจากบ้านนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเออเขาเห็ดเพอแม่ลองเมืองเออก็เล่ก็เลยย่อมออกมาครับการปรทับใจแม่ก็คือแม่ซอยเหลือเข้ามาดนทุกอย่างครับแม่ทุกเรื่องเรื่องการเลี้ยนความรักการใส่ชีวิตในสมสาชิกาเรือเรื่องทุกทุกเรื่อง ที่แบบมันผ่านมาในชีวิตเท่าอะแม่ซอยเรีออไทุกเรื่องครับชีวิตอยู่บ้านมันก็จะเจตะตางออกไปอย่างนึงคือ เวลาอยู่กับแม่แม่จะคอยสอนแต่เวลาอยู่นี่มันก็จะไม่มีคนมาบอกแม่ก็บอกว่าให้มาศึกษาดูซิว่าที่นีเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงและอย่างคือที่นี่เขาก็เรียนฟรีก็ดีด้วยตอนแรกก็ออกไม่อยากมาตอนแรกว่าจะเรียนจะไปเรียนที่เดิมต่อแต่ แม่ว่ามาดูก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยกลับก็เลยมาที่นี่คือเราเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ก็แบบเหมือนไม่มีคนเข้าใจอะค่ะคือเราทำไมถึงเลือกมาอยู่ในจุดจุดนี้อะค่ะ ก็รู้สึกตัวเองว่าตัวเองโดดเดี่ยวไม่มีใครเข้าใจค่ะก็บอกแค่ว่าจะมาค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรมากคนนั้นก็บ ว, ว่าเออจะมาเรียนที่นี่ทั้งๆที่ตัวเองจบมสามมาแล้วแม่ก็ไม่ไม่ได้ห้ามค่ะแต่พูดในเชิงคําถามว่าจะไปจริงเหรอทั้งๆที่ตัวเองจบมสามมาแล้วจะไปยอมเริ่มต้นมหนึ่งใหม่เหรอก็คือถ้าในความรู้สึกอันนี้ไม่รู้ว่าแม่จะคิดยังไงนะคะคือเราก็ใน ความคิดก็คือน้ำเสียงของแม่คือเหมือนไม่อยากให้มาค่ะแต่เราก็ดื้อไม่ยอมฟังก็อยากมาก็จะมาให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ แม่ก็บอกว่าถ้ามาแล้วก็ให้ตั้งใจเรียนให้ดีถ้ามาที่นี่ก็น่าจะดีเพราะว่าจะได้ฝึกฝึกที่จะอยู่ตัวคนเดียวโดยที่ไม่มีแม่ก็ได้ได้โทรไปหาแม่อยู่แต่ว่าไม่ได้ปรึกษาปัญหาที่นี่ไม่ได้คลยปัญหาที่นี่ให้แม่ฟังเพราะว่าแม่ก็ไม่เข้าใจไม่ไม่ไมค่อยเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราด้วยมาเรียนที่นี่ก็เรียนเรียนฟรีก็ช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายที่บ้างด้วยก็รู้สึกว่าเราพึ่งตัวเองได้ แล้วก็แม่ก็ไม่ต้องลำบากเพราะเราด้วยแล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะอยู่ให้จบโมหกก็คิดว่าน่าจะจบก็อยากจะบอกว่ารักแม่แล้วก็จะอยู่ให้จบโมหก ตที่ผมู uno, Entonces, hay hay ่กแม่มาข้างนอกของปีนะครับสมาดพึ่งเอาอดทนครับสมารพึ่งเอาใจใจใช่นะครับขอนัง้พึ่งหาเครับแต่ก่อนได้เ็กหน่อยว่ายังไงก็พ่งนอาใจผมครับสมาดสมาดผมแบบว่าคได้หายข้อมากกเพล่นนะครับเป็นคนขี้อายครับสมาดอยู่กพ่เอเสือๆ่ครับแบบบางทีอาจจะแบบอยากกอดเพลินๆแบบโอ้โหกล้าอานะครับไใจอยากกอดเพินนีเด้มาไปหอดีบวก้ากอดครับ แ ต, แต่ว่าสิเพานใจของสิครับมันอยู่นี่นะครับเพื่อนตดส้อยแบบไร ย, ยางแบบบอกการงาดนั่นสิฟุดออ้ว ท, ท้นนัสิสามารถจะซอยเพื่อนได้เคยทุกๆความว่าตอนห้องอยู่หกปีก็แมีนะาเอาจะแบบเพอยู่กับเพื่นแบบอบอุ่นนั่นะะบบไม่อยากงอแงั่นสิน่ะคิดตัวเส ม, มอเนี่ยพิพานมากบบพ้อิดน่ะเพื่อนแต่แม่เสียใจหาอะไร้่พานมาอากจะคลอดทวดเพื่อนนะครับ ดูแลเพื่นนะครับตอนที้เพื่อนอยายุลแหครับเาต้องดูแลเพ่นเอาใจใส่เพ่นครับต่กร้านห้เราเ็กหน่อยเพ่นดูแลเราั้งนเพื่นเท่ามาหเาต้องดูแลเพ่นครับครับอกว่าจะสู้เต็มที่ครับเป็นคนดีของแม่ให้ได้ครับววเราบอกให้แม่มีนาตายครับ ตอนะครับตอนอยู่หอกกะทีต่างนะครับอนผอย่ในเพราะว่าตอนอยู่หมอกผมก็เอาใจใจว่าคอยเดคิดถึงพ่อแม่สิบสิ้นเชิงไดยนะครับเราก็เวลาเห็นยัางก็ไม่จะไปใส่นี่งออกไปเลยบอบอกบกเ่านะเป็นความดูแลจะขอหํานะเพราะว่ามีคนมาคอยดูแลคอยอยางตอนอยู่กับพ่อแม่นะครับ ลูกัวครับ่าเป็นแนวเดียับอกว่าขอโทษนะครับที่เคยเป็นอยงผิดผิดพลาดมากเคยทให้เสียหนุ่มตาเสียผัวผิดพลาดมากตรงนี้จะเอาใจไปกินเงินไปห เวลาก็ได้เป็นครูสอนผมแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นครูสอนให้สู้มาให้รู้จักยอมยอมแพ้อุปสรรคต่างๆหลายอย่างที่ผ่านมาแม่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้ผมสู้ผ่านมันไปครับชีวิตผมก็เคยทําผิดแล้วก็เคยเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าเออ ไม่เป็นไรเราคนเราก็เคยทำผิดกันก็ขอให้จำเหตุการณ์ที่เราทำผิดพลาดนี้มาแล้วก็เป็นบทเรียนสอนให้เราสู้แล้วก็อย่า ก, กลับไปทำผิดอีกผมก็เป็นผู้ชายเป็นพี่โตสุดแม่ก็ย้าเตือนเสมอเราเป็นพี่เราก็เป็นตัวอย่างให้น้องให้เป็นแบบอย่าง ให้ให้น้องได้ทำตามอยู่มาห้าปีขึ้นปีที่6กอยู่ท้องสิค้ามาก็ไม่ง่ายแม่ก็ส่งมาเรียนอยู่มาก็มีผิดบ้างสารพัดไปไปกับเพื่อนทำงานสนุก วันแม่นี้ก็แม่มาอยู่ไกลเนาะแม่ก็ไม่เคยมาเราอยู่ทางนี้เราก็แม่ก็ยื่นมาเราก็เห็นแม่เขาเนาะเราก็เอาร ำ, ำลึกถึงแม่เราให้มากที่สุดและทําดีให้มากที่สุด บอกว่ามาอยู่ที่นี่ก็ไม่ให้ไม่อยากให้กินเนื้อสัตว์เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ผมไปแอบกินเนื้อสัตว์ในความรู้สึกที่ผมกินไปแล้วก็ตอนแรกก็กินไปรู้สึกว่ามีความสุขครับสนุกที่ได้กินแต่พอมาเห็นผู้เป็นแม่พูดว่าแม่แต่แม่ไม่ได้บอกว่าแม่เสียใจครับแต่แม่กลับให้กําลังใจเรา ก็แม่ก็บอกว่าอย่าไปทําอีกนะ ล, ลูกมันเป็นสิ่งไม่ดีก็ทําให้ผมได้คิดนะครับถึงเราผิดขนาดนี้แม่ก็ยังไม่ว่าเราแต่แม่ครับกลับให้กําลังใจเรากับ แ, แม่ผมก็อาจมีแบบมีเรื่องเถียงกับแม่บ้างบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องแต่ก็ทําให้ผมแบบยังสู้สู้ต่อครับเพราะว่าผมคิดว่ายิ่งเราออกไปเราห่างไกลจากแม่ก็จะยิ่งไม่มีคนมาคอยบอกคอยสอนเรา ตอนนี้ยังมีแม่ที่คอยบอกคอยสอนเราเราควรจะเก็บมันไว้ครับผมอยากให้แม่รู้ว่าสิ่งที่ลูกคนนี้ได้มาเรียนอยู่ที่นี่ก็จนถึงปีสุดท้ายลูกคนนี้ได้ทําเต็มที่แล้วแล้วก็ลูกคนนี้ก็ขอไม่หวังอะไรมากก็แค่พอลูกจบไปก็ขอให้แม่มีความสุขครับ ก็เลยบอกพ่อว่าเราจะมาเรียนที่นี่ก็มีปัญหาเถียงกันกับพ่อเขาพ่อก็ไม่อยากให้มาเรียนที่อ้วนเพราะพ่อว่ามันไกลแต่ว่าแม่จะเป็นคนที่แม่จะเป็นคนที่เคารพความคิดเราเสมอแม่ก็จะบอกว่าก็แล้วแต่ลูกก็ถ้าลูกคิดว่ามันดีแล้วแม่ก็สนับสนุนตอนนั้นมีปัญหามากก็จะโทรหาแม่โดยตลอดแล้วก็จะร้องไห้กับแม่แม่ก็จะบอกว่า ถ้าไม่ไหวกลับบ้านมาพักก่อนก็ได้นะแต่ถ้ามีแรงค่อยกลับไปเรียนต่อคือแม่เป็นคนที่คิดอะไรง่ายๆเส้นทางในสัมมาถ้าบอกว่ามันลำบากไหมมันก็ไม่ลำบากมันก็จะเหมือนมันเป็นบททดสอบของชีวิตว่าชีวิตของเราไม่ได้เลยได้กี่ภูหละมันก็เหมือนกับชีวิตของแม่แล้วเราเรารู้สึกว่าเออนะ เราเรียนสูงกว่าแม่นะตอนนี้แม่เราเรียนจบแค่พอหกแต่ทำไมแม่ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายหรือผ่านอุปสรรคในชีวิตได้แล้วก็อยากบอกแม่ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่มาหกแล้วแต่ก็ไม่อยากให้แม่สบายใจว่าจะจบแล้วนะยังไม่อยากให้แม่วางใจเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายที่อันตรายหนูก็จะพยายาม แล้วมัดระวังตัวหนูให้ดีก็ถ้าหนูประสบความสำเร็จได้แม่ถึงค่อยดีใจแล้วก็ค่ายลงอ ก, กนะทักกันอยากเรียนสูงเพื่อพ่อแม่อะ เพราะว่าพ่อแม่ก็อยากให้เราแบบมีอนาคตมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บ okay, มาอยู่ตัวคนเดียวเราต้องสู้ชีวิตคนเดียวยะค่ะก็คือแบบพอเวลาเจอเรื่องทุกข์ใจเงี้ยก็ก็คนแรกที่นึกถึงก็คือแม่นะคะคิดถึงมากค่ะก็อยากให้แม่รู้ว่าเออลูกลูกก็จะอดทนสู้อะไรเงี้ยค่ะก็มีความสุขดีไม่อยากให้ให้แม่เป็นทุกข์ว่าเออเรามาอยู่นี่แล้วเราจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตั้งแต่จงความได้ก็แม่จะเป็นคนที่สู้งานค่ะทํางานหนักวันแม่จัดขึ้นที่นี่ทุกปีก็จะเห็นว่ามีโอกาสได้บอกรักกันได้แสดงออกทางด้านความรักมากกว่าอยู่บ้านค่ะซึ่งปกติทุกปีที่อยู่ข้างนอกก็ไม่เคยมีเลยค่ะกับแม่แต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกดีใจค่ะกับแม่แล้วแบบไม่เคยเห็นแม่ร้องไห้ก็ได้เห็นนะคะอยู่ใกล้กันนะคะก็ ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นค่ะจากแต่ก่อนเราก็จะแบบมีอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรมากว่ายังไงก็เดี๋ยวมีแม่ทําให้เดี๋ยวมีใครทําให้เราอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอเราอยู่นี่เวลาเราเจอปัญหาหรือเราเจออะไรเราก็ต้องต่อสู้หรือแม้ว่าจะคิดถึงบ้านมากแค่ไหนเราก็ต้องแบบต่อสู้กับมันอางนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นรู้สึกว่ามันคุ้มค่ะที่เราตัดสินใจมาหกปีที่แล้วที่เราแน่วแนว่าเราจะมานี่ มีช่วงที่ทำให้นึกถึงแม่มากที่สุดนะครับก็คือช่วงที่เราป่วยปกติถ้าเราป่วยนี่เราจะมีคนคอยดูแลอยู่ ใ, ใกล้ครับสภาพแวดล้อมมันจะทำให้เราโตขึ้นจะให้เราพึ่งตัวเองก็จะทำให้เรานึกถึงแม่แต่ก่อนที่คอยเช็ดตัวช่วยเหลือเราอะไรครับมีช่วงที่มันไม่สบายใจนะครับตอนเปิดเทอมมาใหม่ช่วงอยู่ม .2 ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอยากยาลาออกอะไรอย่างี้ครับก mm. ็ไม่กล้าโทรไปบอกแม่ครับว่าอยากลาออกเพราะว่ากลัวแม่จะเสียใจที่แม่อุตส่าห์ให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็แม่ก็ค่อนข้างไว้ใจนะครับแม่ให้มาอยู่ที่นี่แม่ก็ไว้ใจว่าเราจะสามารถอยู่ที่นี่ได้ ช่วผมมามอหนึ่งก็รู้สึกว่าเออไม่อยากเรียนเลยแม่ส่งมาทําไมหรือว่าทําไมต้องส่งมาไกลขนาดนี้ด้วยผมก็อยู่จังหวัดตาภาคตะวันตกเพื่อนคนอื่นครับแม่เขามาเราก็เออรู้สึกว่าเออก็อดีนะแม่เขามาเขาก็น่าจะมีมีความสุขหรือว่ามีความคิดที่ว่าเออแม่เรามาแล้วเราจะดูแลแม่อย่างไร สำหรับตัวผมครับผมก็รู้สึกว่าแม่ไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอยู่นี่ก็แม่เพื่อนก็เหมือนกับแม่ของเราครับเพราะว่าเราอยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครับ แม่ก็เป็นผู้หญิงที่แก่งค่ะเป็นคนออกไปทํางานข้างนอกตลอดนะคะแล้วพ่อก็จะเป็นคนที่อยู่บ้านแม่ก็ทํางานคนเดียวเก็บตังค์หาเงินแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยค่ะตอนนี้คือพ่อก็ไม่อยู่กับแม่แล้วแต่เรากลับไม่รู้สึกว่าเราขาดพ่อเลยความรักที่แม่มีให้มันมันมีมากจนเราไม่รู้สึกขาดแม่พยายามที่จะไม่พูดถึงสิ่งที่มันขาด แม่ก็พยายามจะบอกว่าเออเราเรามีแค่นี้เราก็อยู่กันได้นะแม่ก็คอยบอกใจแบบว่าจะถามว่าเออคิดถึงพ่อไหมจะถามว่าเออเห็นพ่อเพื่อนแล้วรู้สึกยังไงเราเป็นยังไงบ้างแม่ก็จะแบบพยายามเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกเท่าที่แม่ทำได้แล้วที่ผ่านมาแม่ก็ทำมาได้ดีตลอดเราเลยรู้สึกว่าไม่มีพ่อเราก็แบบ ยังมีแม่แม่เรายังคอยแบบช่วยเหลือเราคอยให้ความปรึกษาตลอดคำว่าแม่ก็เปรียบเสมือนทุกอย่างอะแม่ให้ให้เราทุกอย่างได้อะแม่ก็จะพยายามให้กำลังใจเออแบบอดทนอะไรเงี้ยคะ่ะอดทนไว้ ก็ทําให้เราได้ทบทวนตัวเองอะคะ่ะว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรแบบไม่ดีไวะคะ้ค่ะก็แบบปรับปรุงตัวเองเลยอะคะก็พยายามอยู่ค่ะก็รู้สึกว่าดีใจคะ่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่คือภูมิใจมากแบบที่พ่อกับแม่ให้กําลังใจมาตลอดอะคะ่ะ เ, เป็นไงบ้างรับชอบหรือไม่ชอบ ถึงแม้การใช้ชีวิตอยู่ในนี้มันจะไม่มีแม่ไม่มีแม่มาคอยอยู่ข้า ง, างไม่มีแม่ต้องแบบมาจุดจิ้จุกจิกเราแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราทำตรงเนี้ยไม่ว่าเราจะทำเพื่อตัวเองแต่เราก็รู้สึกว่ากำลังใจที่ดีของเราคือจากแม่ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็มีแม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากต่อสู้ต่อไปค่ะ ก็อยากให้แม่รู้ว่าเราตั้งใจที่จะทำตรงนี้เพื่อให้แม่ภูมิใจค่ะก็เราก็เป็นลูกคนเดียวอ่ะที่แบบว่าจะถ้าแม่ไม่รักเราแล้วจะไม่ไปรักใครอ่ะแม่ก็เลยมาอยู่แล้วก็ตอนแรกก็ไปไปมามาแต่พอมาเรื่อยๆ แม่ก็เริ่มมาอยู่กับเรานานขึ้นแล้วก็กลับบ้านน้อยลงแล้วก็ด้วยความที่จากแม่มาไกลด้วยก็เลยรู้สึกว่ารักแม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเถียงแม่แล้วไม่ค่อยอารมณ์ร้ายเท่าไหร่อ่ะรู้สึกว่าตัวเองปรับปรุงได้มากขึ้นรู้สึกว่าโตขึ้นกว่าแต่เดิมกว่าแต่เก่าไม่ไม่อยากบอกอะไรมากเพราะว่าแม่ก็มาอยู่ด้วยแล้วก็สัมผัสว่าเราทุกข์หรือเราสุขยังไงก็อยาบอกว่า รักแม่มากที่มาอยู่ที่นี่อดทนอยู่ได้ถึงขนาดนี้ก็พอาแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมผมคิดว่าผมเป็นคนเก่งเก่งแต่กับพ่อกับแม่เรื่องไหนที่เราไม่ชอบใจเรื่องไหนที่เราอึดอัดเราไม่อยากให้พ่อกับแม่มายุ่งเราก็จะประชดทำใส่ คือเก่งนะครับเก่งเด็กกับพ่อกับแม่ตัวเองแต่พอมาอยู่ตัวคนเดียวมาอยู่กับสังคมภายนอกวันเวลามันก็ได้สอนผมให้รู้จักรักและเคารพในคนที่ดูแลใจใส่